ลูกสาวเขาบอกว่าโอ้ยอย่าไปกดดันอาจารย์นะแต่จริงๆเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่กดดันครับนะแต่ว่าไม่ใช่กดดันเพราะว่าท่านพูดแต่ว่ากดดั น, นเพราะเนื่องจากว่าพอเวลาเข้าไปดูในข้อมูลต่งางๆครับพวกผมต้องถือว่าสุดยอดเพราะอะไรครับเพราะว่าการแต่งเองหรือการประพันธ์เพลงโดยที่มีเนื้อร้องบังคับอยู่นะครับ มันไม่ ง, ง่ายสําหรับแฮนเดิลแต่พเพราะเนพราะว่าอัจฉริยภาพของแฮนเดิลเนี้ยทําให้เพลงออกมาเนี่ยฟังแล้วก็ดูแล้วก็ดีมากเลยนะครับก็ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์สันติก็อยากอธิฐานไปแล้วนะครับแต่ผมก็จิตใจด้วยก า, ารอธิฐานเหมือนกันว่าอยากจะให้ในคำ่ำคืนวันนี้นะครับเราจะได้รับสิ่งดีๆจากโคจนองพระเจ้าให้จากบทเพลงนี้ผมอยากจะแนะนํานะครับชีทนะครับที่แจกให้กับท่านนะครับ ที่นี้นะครับใช้คำว่า Endel m e s s i a นะครับแล้วก็ biblical and theological and musical perspective กันนี้คือเรียกว่าเป็นการยำใหญ่นะครับเป็นการบูรณาการทั้ง biblical นะครับก็คือพระพัฒนาของพระเจ้า theological ก็คือหลังศาสนาและมิ s i c a l ลนี่นะครับจริงๆแล้วถามว่ามีคนเคยทำไหมนะครับที่เขาเคยทำเนี่ยเขาทำ biblical and theological perspective นะครับ แต่ผมไม่ทราบว่ามีใครเคยทำหรือเปล่าม่อาจจะความประสบการณ์ผมนี่ยังน้อยนะแต่ผมคิดว่าจะทำมิวสิค l p ลเพอร์สเปคทีฟนะรวมกันมีย่างใหญ่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินและเคยทำมาแล้วกันนะครับก็จะเป็นครั้งแรกที่น้องจะได้ยินในสารเพอร์สเปคทีฟนี้ก็คือบิบิคอลเทโอโลจิคอลและก็มิวสิควลนะครับ โอเคครับอยากจะให้พี่น้องได้เปิดนะครับในชีตของเรานะครับผมจให้กดนําอย่างนี้บอกว่าพลังแห่งเสียงเพลงนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมสวดีบที่ห้าสิบเก้าข้อสินะครับเชิญอ่านพร้อมกันดีไหมครับในชีตของเรานะครับถ้าพี่น้องท่านใดยังไม่มีชีตนะครับรับชีตได้แน่นอนนะครับชุดละห้าบาทครับลอตเตอรี่เสียเงินะครับมีแต่พระคุณของพระเจ้าเท่านั้นนะครับครับให้เราอ่านพร้อมกันนะครับ แต่ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงอนุภาพของพระองค์ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้าเพราะพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์เป็นที่พิภัยในยามทุกข์ของข้าพระองค์พี่น้องครับเราจะเห็นว่าการบูรณาการของบทเพลงนะครับก็คือการร้องเพลงถึงอะไรครับถึงความเป็นพระเจ้านะครับถึงความรักมั่นคงของพระองค์และ ในเวลาเช้านะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่เราควรจะคิดถึงก็คืออะไรครับการสรรเสริญพระเจ้าถูกไหมครับเมื่อเราสรรเสริญพระเจ้าเนี่ยแน่นอนครับมิวสิกหรือว่าเสียงเพลงนะครับมันเข้ามาแล้วก็บูรณา ก, การคือร่วมกันร่วมกันเพื่อทีให้เกิดอะไรครับเกิดทั้งความคิดและความคิดแรนะครับและจิตใจเกิดทั้งเหตุผลและอารมณ์ความรู้สึกไปด้วยกัน นี่คือการมัสการพระเจ้านะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราน้อสการพระเจ้านะพี่น้องครับหลายหลายคนบอกว่าห้ามสแสดงอารมณ์ต้องอยู่นิ่งๆใช่ไหมครับไม่ใช่แต่เราอาจจะสแสดงอารมณ์ได้โดยที่ไม่อะไรครับเราเอ็กซ์เพรสอารมณ์ของเราได้โดยที่อาจจะไม่มีท่าทางก็ได้แต่มันเกิดคว า, ามซาบซึ้งหรือใจเช่นร้องเพลงไปร้องไห้ไป นะครับร้องเพลงไปน้ำการไหลไปในนี้คือการนมำสการพระเจ้าคือเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไปด้วยกันเหตุผล ค, ความคิดนะครับและก็อะไรคนระับและความรู้สึกอารมณ์มรอบๆกันเพราะว่าเจ้น้อนนของพระเจ้าในหนึ่งโครดนุที่สิบนะคร บ, บอกว่าถ่านข้าพระเจ้าจะร้องเพลงพระเจ้าร้องเพลงด้วยนะครับด้วยความคิดและด้วยใจใจหมายถึงอะไรครับหมายถึงความรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นในพระวจนะของพระเจ้านะครับเจ้าดีบท59เนี่ยและในอีกหลายหลาบทเนี่ย กษัตริย์ตะวเป็นตัวอย่างในการสรุปดีในการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านะครับที่นี่บอกว่าเสียงทเลนะครับพี่น้องลองดูต่อนะครับเสียงเพลงของคณะนักร้องประสานเสียงชายเป็นสิ่งที่อย่างรากลึกในวัฒนธรรมของแพนเบลก่อนสมคันโลกนิสสงและคณะนักร้องนะครับของเวลกลุ่มหนึ่งมีความสําคัญดีกับคณะของเยอรมันดีซึ่งเป็นคู่แก่พี่น้องครับอังกฤษกับเยอรมัน จำได้ไหมครับสงครามโลกนี้2ก็เป็นอะไรกันครับชกตู้กันนะครับแต่ใช้สักรั น, นั้นนะครับที่เคยมียนั้นถูกแทนที่ด้วยความเกลียดชังและหลังสงครามโลกนี้สนะครับความตึงเครียดค่อยๆลดลงอาจเป็นเพราะข้อความที่จารึกไว้ในจักรวรรที่มอบให้คณะร้องสองคุณว่าพูดกับขันสิและเราจะเป็นเพื่อนกันร้องเพลงกับขันสิแล้วเราจะเอินเอี่ยงกันนะครับนี่คือว่าเสียงเพลงเนี่ยทำให้ละลายนะครับ เรียกว่าไอซ์เบรกิ่งก็คือลาะลายไอ้ภูเขาดั้งแข้งนะครับที่ความเย็นช้าที่มีต่อการสับตูนะครับเปลี่ยนเป็นนิดไดน้นี่คือพลังแห่งเสียงเพลงนะครับอยอดหน้าต่อไปบอกว่าพลังของบทเพลงสามารถเยียวยาและช่วยเหลือเป็นของขวัญจากพระเจ้าที่ปลอบโยนผู้คนมากมายและด้วยเหตุ น, นี้พนันสุริยดีนะครับซึ่งพูดถึงเสียงเพลงและการรักษาพระเจ้าเนี่ยก็จะกินใจในเรื่องของเนื้อหาบทเพลงสุริยดีที่เชื่อมต่อจิตใจ นะครับเชื่อมต่อระหว่างเหตุผลกับจิตใจด้วยเสียงเพลงนี้ทําให้เราได้พูดขอบพระเจ้าเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องเคยคุ้นกับว ล, ลีนี้ไหมครับว่าเรา pray t his word pray his word ก็คืออธิษฐานนะครับเวลาที่เราอธิษฐานเนี่ยเราอธิษฐา น, นอะไรและยครั้งในคราวเราอธิษฐานบอกขพระเจ้าขอโน่นขอนี้ขอรน่นข อ, น, ขอ น, นะนี้นะและคำํำอธิษฐานไหนที่เราจะแน่ใจได้ว่าเป็นคำอธิษฐานที่พระเจ้าขอพระไทย คำอธิษฐานในที่คิดว่าพระเจ้าขอพรไทยครับ pray His word pray His word แบบอะไรครับอธิษฐานโดยใช้พระคคำของพระเจ้านะครับเป็นคำอธิษฐานที่พระเจ้าขอไทยเพราะเหมือนกับว่าเนี่ยเราสอนเจ้านะและตอนนี้เจ้าก็ตอบสนองกับคำสอนของเราเห็นไหมครับนะ pray His word back to him him นี่หมายถึง่พระเจ้านะครับนะ e q u a l ีหครับ Sing His Word back to Him ก็คืออะไรครับเราร้องอะไรร้องเพลงนะครับที่มีเนื้อหาพระจ้านัของพระเจ้าเนี่ยให้กลับคืนสู่พระองค์นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องม า, เ ร, า, เ, ราเรียกว่า Music Appreciation และผมอยากจะใช้คำว่า Spiritual Music Appreciation ก็คือว่าเราจะมีความซาบซึ้งนะครับเราจะสามารถฟังเพลงและร้องเพลงด้วยใจย น, น, นะครับ โดยใช้จิตวิญญาณของเราเนี่ยในการรับสารพระเจา้าอันนั้นเป็นมิติใหม่ในการรับสารพระเจ้านะครับหลายหครั้งเนี่ยครับหลายหลคนเนี่ยนะครับบอกว่า s o ริเอ u ั่นห a ือ a ่าซีริเอ i ั่หรือว่า i ีริเอชั่นหรือว่าซีริเอชั่นหรือว่าซีริเอช่นหรือาจริงๆชั่นหรือว่จริงอแล่วครว่าซีริเอช่นหรือว่าซีริเอชั้นหรือว่าซริเอชั่นหรือว่าซีริเอชั่นหรือว่าซีริเจชั่นหรือว่าซีริเอชั่นหรือว่าซีร่เอช่นหรืเว่าไร รเราเห็นคุณงามความดีของคุณพ่อนะสิ่งที่คุณพ่อได้ทำใช่ครับและเราก็ร้องหรือว่าเราคู่กับคุณพ่อเนี่ยเราสิง his เวิร์ดดัต to h ิมเราเพลงฮิสเวิร์ดดัต to h ิมเนี่ยถามว่าคุณพ่อพอใจไหมพอใจประการที่2เกิดอะไรขึ้นครับเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราเพราะอะไรเพราะเราได้มีโอกาสเยืนยอนะครับเราได้มีกาสแสดงถึงความกระตันยูของเรานะต่อพระเจ้าและเป็นการหรือว่าวิธีการสแสดงความกระตันยูที่พระเจ้าขอกระทิ นะนี่คือสิ่งที่สําคัญมากทําไงพระเจ้าขระรไทยเรามีหน้าที่สรรเสริญพระเจ้าทําไงพระเจ้าขระรไทยทําไงที่เราจะสามารถร้องเพลงฝ่ายวิ ญ, ญญาณได้นะครับดูยอน่ารักไปนะครับพระเจ้าประทานบทเพลงให้เราวันนี้เพื่อเตือนให้เราระลึกถึงความประเสริฐและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ไม่ว่าเราจะเผชิญอะไรก็ตามพี่น้องร้องเพลงนี้ ไ, ได้ไหมครับ ร้องเพลงนี้ได้ไหมครับที่อยู่ในชีตนะครับทุกวันถ้าฉันเสินร้องเพลงแค่าวายฉันเสินพระเยซู เมื่อเรายิ่งเกิดความคุ้นเคยเนี่ยสมองเราเนี่ยนะครับคิดถึงอะไรคิดถึงโน้ตไหมครับไม่คิดถึงโน้ตคิดถึงเนื้อไหมครับคิดถึงเนื้อและเข้าใจความหมายและเกิดความทราบซึ่งได้พี่น้องลองร้องสักสิเที่ยวนีครับเที่ยวแรกกับเที่ยวที่สิเนี้ยไม่เหมือนเดิมนะเชื่อวไหมครับแล้วท่านร้องเที่ยวที่100่นี่นไม่เหมือนเดิมเพราะอะไรครับความทราบซึ้งมันเกิดมันเกิดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความลับหรือเคล็ดลับนะครับของ music appreciation ก็คือว่าเมื่อเรายิ่งช้อมมากเท่าไหร่ในนี้มีคณะนักร้องมาเยอะไหมครับรู้สึกมาน้อยนิดหน่อยนะครับดีที่ท่านอาจารย์จันแรมนั่งอยู่เป็นประธานนะครั บ, รบถ้าอาจารย์นันแรงไม่นั่งเป็นประธานนี่นกักร้องหายหมดนะครับนะครับพวกเราช่วยๆกันบอกต่อนะครับนะเวลาที่เราร้องเพลงเนี่ยถามว่าทําไมต้องส เพราะอะไรครับเมื่อยิ right. ่งซ้อมมากขึ้นเรื่อยๆมากเรื่อยๆนะครับนะครับใจเราจะทํางานมากนะฮะเมื่อใจเราทํางานมากก็เนี่ยสมองเราก็ทํางานตามไปด้วยเมื่อเราคิดยิ่งรู้จักยิ่งรักไม่ใช่ยิ่งรักยิ่งรักนะฮะยิ่งรักนะครับเมื่อเรายิ่งรู้จักยิ่งรักนะครับยิ่งรักใครครับเมื่อรู้จักพระเจ้ายิ่งรักพระเจ้า โอเคไหครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะตามมาพี่น้องจะตามมาเมื่อเรายิ่งรู้จักเมื่อเรายิ่งอ่านเนื้อเพลงนะครับจะยิ่งรู้จักประจ้ามากขึ้นเมื่อเรายิ่งผมถามนิดหนึ่งพรหาไถ่คืออะไรครับพระหาไถ่ไถ้าเรารู้จักคําว่าไข่เนี่นะหรือ redeem นะีย redeem เนี่ยคือการไถ่หรืว่า redemption เนี่ยเราจะโอ้โหคำถามิเอียด เวลเราลอ้อพระเยซูปเป็นพระมหาไถ่ก็คือเป็นเด็กเวดรี e มอร์ถูกไหมครับก็คือเป็นผู้ไถ่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราและไถ่ด้วยอะไรครับพระเจา้าพระเยซูไถ่เราด้วยอะไรครับด้วยชีวิตของพระองค์เพราะนั้นเวลาที่เราร้อเนี่ยครับโอ้โหแบบนี้ครับถ้าเรายิ่งรู้จัก ย, ยกิ่งอะไรครับยิ่งซาบซึ้งถูกไหมครับนี่คือ appreciation นะครับถามว่าผมเนี่ยพูดถึงใครซางซึ้ง ท, ท, ที่สุดพี่น้องลองเดาดูครับ ถ้าผมพูดถึงไทยอ่ะจะจะทราบที่สุดปูปีหัวรอใหญ่หยันปุกก็ยิงคนที่ใกล้ชิดผมจะรู้ครับถ้าผมพูดถึงไครนะครับที่ผมทราบชึ่นที่สุดคำตอพึ่งภรรยาเพราะอะไรครับเพราะอยู่กับเขาเนี่ยมาหลายสิบปีไงเกิดความชราบซึ้นทั้งบวกและทั้งลบใช่ไหมครับ <S <S เมื่อยิ่งพูดถึงเขาเนี่ยอารมณ์ขึ้นนฮะ รมขึ้นหรือไหมครับเน่ยเหมือนกันครับเวลาเรารู้จักพระเจ้ายิ่งมากยิ่งมากยิ่งเนะี่เวลาพูดถึงพระเจ้านะและพระลักษณะขององค์สิ่งที่พระเจ้ากับทำให้กับเราถามว่ารมขึ้นไหมอารมณ์ขึ้นครับไม่ใช่อารมณ์โกรธนะครับแต่อารมณ์ที่เราอยากจะขอบคุณพระเจ้าอารมณ์ซาบซึ้งขึ้นอันนี้ผมอยากจะนิดเป็นการเตือนหนังว่าถ้าเรายิ่งรู้จักเราจะยิ่งรักพระเจ้ามากขึ้นนะครับ ยอดหน้าสุดท้ายของหน้านี้นะครับดนตรีที่กันจากหัวใจของศิลปินย่อมกังวานกล้องกระทบหัวใจของผู้ฟังตัวทำนองเพลงนะครับตัวทำนองเพลงเนะี่ยอย่างเช่น four u n t o l a s a child is b o r n e ตึ้งตึ้งตึ้ง until a ตึ้งตึ้งตึ้ง a sad is gone ตึ้งตึ้งตึ้งไอตัวเพลงเนี่ยมันเป็นสื่อมันเป็นสากพานีนำเนื้อหามาถึงเราเห็นไหมครับแล้วมันก็ทำให้เราจำได้ แล้วเวลาเราฟังเมซาย่าเนี่ยนะพี่น้องครับถ้าเราเข้าใจความหมายของเนื้อหานะครับและเนื้อหาในเมซาย่านี่เป็นเนื้อหาล้วนๆที่คัดออกมาจากท่าทางทีไม่มีการเติมแต่งครับมีแต่การปรับนิดเดียวอย่างเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับทํานองหรือช่วงจังหวะมีลาของเพลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เป็นความทราบซึ้งของคนแต่งทั้งผู้ปรันเนื้อแล้วก็ทํานองเนี่ยครับส่งเข้ามา ทีนี้เนี่ยเวลาเราฟังดนตรีเนี่ยนะครับเราต้องฟังให้มีความซาบซึ้งเดียวกันกับผู้แต่งอันนี้ยากถูกไหมครับฟังยังไงถึงจะมีความซาบซึ้งเดียวกันกับผู้แต่งนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับสองสามวันนี้เราจะลองดูนะครับว่าเราจะมีความซารรรบซึ้งไหมนะถ้าไม่มีความซาบซึ้งแสดงว่าคนคนสอนเนี่ยสอนไม่ได้สอนไม่เก่งสอนไม่ดีเราลองดูนะครับนะขอให้เราตั้งความหวังไว้และอธิษฐานเผื่อผมด้วยนะครับ โอเคครับทีนี้หน้าที่สองนะครับก็จะให้แนะนำเรื่องของดนตรีว่าดนตรีนั้นมี2 ส, ส่วนครับคือจังหวะและทํานองนะครับอันนี้ดนตรีนะครับแต่เพลงเนี่ยนะครับมันมีทั้งเนื้อหาและจังหวะและทํานองครับทีนี้ดนตรีเนี่ยแบ่งสงส่วนคู่กันนะครับเป็นพื้นฐาน นะครับที่เด็กๆเนีเ่ยชินกับเสียงจังหวะหัวใจเต้นตั้งแต่เมียทองเขาจะสามารถเรียนดนตรีได้เมียทองนะก็คือตึกตึกตึกตึกตึกแม่ในวิดีโอการเนี่ยทางเอ่อทางทางสมองการพัฒนาการทางสมองนะครับผมพูดสันส้นๆนะครับเวลาที่เด็กเนียทองเนี่ยเขาได้ยินเสียงด้วยการสั่นสะเทือนของผนังหน้าท้องของคลื่นเสียงที่มาชนกับผิวของผิวของอ่อผิวของ คลองของแม่นะครับแล้วมันก็ส่งสัญญาณเข้าไปเป็นคลื่นนะครับเข้าไปอยู่ในสมองของเด็กมีการมีการวิจัยนะครับมีรีเ e ิร์ชที่พูดถึงเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรโมซาเอฟเฟกเคยได้ยินั้ยครับนะก็คือเสียงดนตรีเนี่ยมันกระตุ้นทำให้เกิดการแบ่งเซลล์นะครับของพวกเซลล์สมองก็คือเดนดริและแอปซอนเนี่ยที่เป็นสัญญาณรนะับ่ขารับกับขาออกนะเอาเอาง่ายงี้่ น, นะครับนะ พอเวลาเด็กได้ยินเสียงเนี่ยครับเสียงที่ดีดเสียงที่พรอ้อมสมองเจริญนะในทางกลับกันครับได้ยินเสียงดุดจานะได้ยินเสียงทะเลาะกันได้ยินเสียงอะไรที่เป็นความความโกรธนะนะหรือความแค้งเคืองเด็กก็สัมผัสได้มีการทำวิจฉครับผมเคยเล่าใหฟังก็คือเขาเปิดซิมโฟนีให้กับต้นไม้ฟัง ปรากฏว่าต้นไม้นะครับที่อยู่ในปรีเท้าเนี่ยนะครับเติบโตมากเปรียบเทียบกับต้นไม้ที่ไม่ได้ไม่ได้เปิดซิมโฟนีที่ฟังเห็นไหมซิมโฟนีแปลว่าอะไรครับซิมโฟนีถามความรู้ของพี่น้องหน่อยมาจากภาษากรีซซิม XY เอสนะครับปักกานี้มีอไม่เป็นไรฮะพักว่าดภาพในสมองครับ SYM เนี่ยนะครับมาจากคาว่ากรีกรีรีองปญญางอยาหาไปหาคุณพ่อสิน้องปางจบจบดนตรีมาซินโฟนี่นะซิงมาจากคาว่าเซนนะเซนแปลว่าเหมือนกันนะครับฟโฟนีมาจากคาว่าโฟนแปลว่าเสียงสาวซาวนะครับเสียงที่อะไรครับเสียงที่เหมือนกัน ก็รเรียกว่าแอกคอร์ดก็คือเสียงที่มันพ้องกันเสียงที่มันเสริมกันเสียงที่มันประกอบกันนะฮะเป็นเป็นซิมโฟนีสมมติว่าเราลองเดเสียงที่เป็นซิมโฟนีเลยเดอเดอเอาไหนในในน้องปางร้องเด กลายเป็นวงซิมโฟนีออเคสตรานะครับซิมมันจะคาว่าเซีนะครับซิมมตรีก็คือสองข้างเท่ากันซิมก็คือเซีสองข้างเท่ากันนะมิตรีก็คือการวัดนสองข้างเท่ากันซิมโฟนีมันจะคำว่าเสาียงเสียงนะครับโอเคครับพอมงนี้ปุ๊บเนี่ยหน้าสองหน้าสามนะครับผมอยากจะให้พน้องได้โอกาสอ่านนะครับแลวถ้ามีเวลาเราก็จะ ไปทบทวนกัน2องามสี่จนกระทั่งถึงหน้าที่5ที่มี1นึ 4, 5, ่ี่้าน้องเห็นไหมครับเพลงสวดนะครั บ, เ พ, นนรบเพลงนี้ออกถูกแบ่งออกปเป็นเป็นเประเภทนะครับเพลงประเภทแรกก็คือเพลงสวดแบบเก็เรียนเก็เกรเรียนนี่เป็นเพลงสวดที่มีตัวโน้ตไม่กี่ตัวร้องซ้ำๆต่อเนื่องกันเรียนแบบใจงหวงและการหายใจแบบธรรมชาติช่วยในการทําสมาธิและลดความเครียด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 เขาจะมีเพลงส่วที่อยู่ในโบน์ที่เป็นเพลงแบบเกทคอร์เรนเห็นโน้ตที่เขาเขียนนะตกใจมากเลยโน้ตที่เขาเขียนเนี่ยมันมีไม่กี่ตัวมันมีแค่ห้าหตัวแล้วก็สลับไปสลับมามันจะไม่มีการเปลี่ยนออกเตมันไม่มีการลงต่ำไม่มีติร์นเตินเตินเติร์นเตันเติร์นเตินเตินเตินตนตนเนเ นะครับก็คือหนึ่งวักหนึ่งวักหนึ่งวักเนี่ยมันก็จะมีกี่ตัวโน้ตก็คือมีกี่จังหวะมีกี่ตัวเหมือนกับคาพูดนะเหมือนกรอนะครับกรอนสี่สุภาพมันก็จะต้องมีสามสองสามอะไรเนี่ยนะครับเพลงก็เหมือนกันเพียงแต่ว <c dom ar ly> <mel> ่าม <ado> ันเปลี่ยนนะครับมันใส่ทํานองไปข้านเพราะนั้นเมื่อเราดูเพลงคิมนะครับเราจะเราจะรู้นะครับเพลงคิมนะพี่น้องเพลงคิมที่เราร้องร้องไปเนี่ยครับเราจะเห็นเลยครับว่ามันมีสีแถวโดยปกตินะครับสีแถวนะ และแถวนึ่งเนี่ยนะครับมันอาจจะมีสองวัดนะฮะนะแล้วก็สี่แถวก็มีแปดวันะฮะแล้วก็มีสี่ข้อหรือหกข้อนะก็จะมีแปดสี่สามสิบสองวัดสมสิสองวัดเนี่ยแต่ละวักเนี่ยนะครับเขากําลังให้ไอเดียบางสิ่งบางอย่างเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาหนึ่งเพลงได้สามสิบสองไอเดี ย, ย, เ, พยเพียงยินนะครับเปรียบเทียบกับเพลงเลยเพลงคอนเทนต์รี ก็คือเพลงที่เราร้องกันทั่วไปนะเดี๋ยวนี้โบสสมัยใหม่เนี่ยชอบร้องเพลงใช่ไหมครับร้องเพลงคอนเทนต์รี1เพลงมี2ไอเดีย4ไอเดียเห็นไหมครับร้องซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมานะครับนักชีตวิทยาบอกว่านี่คือการสะกดจิตเรียกฮิปโนไทซิ่ง no กีบโนก็คือคุณลองซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมานะครับแล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยตกเข้าไปอยู่ในภาวรได้อ น, นี้มองในมุมมองของดนตรีและจิตวิทยานะครับไม่ได้มองเขียวเรื่องพระวิญญาณอริยไตรนะนนะพี่น้องต้องต้องสังเกตตัวสเป t i v e ตรงนี้ไม่ได้โอเคนะครับกลับมาถึงเรื่องต่อไปอันที่สองก็คือเพองลงยุบบาโรบาโรก็คือสาร์ฮนดและวีบาลี เพลงในยุคนี้เนี่ยให้ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยช่วยกระตุ้นสมองใขนขณะทํางานและเรียนที่น้องก็ต้องจำมนะครับผมก็จำไม่ได้เพียงแต่รู้ว่าโอ้มันเป็นเด็กเเรียนรึนบาโรลนะครับแล้วก็จํง่ายง่ายๆ B นะครับบารโอลมันมาก่อน C เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าบาโรลเนาะมันมาก่อนยุคคลาสสิกเพราะว่าคลาสสิกมันเต็มตัวซีเห็นไหมยุคที่สามครับยุคคลาสสิกก็ไฮเดนและโมซัส พี่นะครับแอนโดรเมสายาเนี่ยแอนโดรเมสายาเนี่ยเมสายาแต่งโดยทีเอวีที่ชื่อว่าแอนโดแอนโดรี่อยู่ในยุคไหนครับยุคปารอนะครับรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเพราะอะไรครับเวลาพี่ที่นั่งฟังนะมันจะออกมาเป็นคอร์ดมันลงมานี่นะเรารู้สึกเมื่อมันมันอะไรฮะมันกระหลมมันอลังการแล้วมันก็มันแน่นไอเนี่ยความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย และเวลาเราฟังพวกนี้เราสามารถที่จะเดาได้ว่าไอ้วัดต่อไปนี่มันจะลงแบบไหนได้ด้วยเดี๋ยวผมจะ ท, ที่น้องฟังเนีะนะน่ะเวลาที่องฟังแล้ว ร, รู้เลยว่ามันจะลงแบบนี้แล้วถ้าเกิดมีโอกาสเปิดโน้ตไม้ชายามาเนี่ยเราจะรู้เลยครับว่าโน้ตไม้ชายาเนี่นะมันเป็นอะไรที่แบบเป็นอะไรว่าเป็นแบบทับอะไรนก็เรียกว่ามันอนุรกักษ์มากเลยมันคอนเซอร์ตีมากเลยมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นบอกไปนะครับโอเคนะครับ อันที่สี่ครับยุคโรแมนติกยุคโรแมนติกก็คือพวกโชแตงนะนะพวกชูมันนะครับจำง่ายเลยมันจะชอช้างเสมอนะยุคยุคยุคโรแมนติกเนี่ยชอช้างนะครับชูเบิร์ตชูมันชัชอฟสกี้โชกแตงนะนะครับพวกนี้เน้นเรื่องอะไรครับโรแมนติกเลยครับอารมณ์ความรู้สึกออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพวกศิลปินเนี่ยนะก็คืออะไรครับเดี๋ยวขึ้นเนิ้วลงเนิ้วรักเหนี่ยวเปลี่ยนเห็นไหมนะนี่คือ โรแมนติกนะครับมันเป็นเรื่องของการแสดงออกทางอารมณ์บาโร่เนี่ยนะครับบาโร่เนี่ยก็มั่นคงปลอดภัยพอมายุคคลาสสิกอยู่ตรงกลางก็คือชัดเจนสง่างามโปร่งใสนะพอรุกโรแมนติกเนี่ยมันสวิงไปเลยนะครับก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกพอมาชนิดที่5 6 7พวกนี้นะครับนะพวกนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาทางศาสนานะครับ เพราะอะไรครับเพราะว่าแจ๊สบลูนะครับถ้าเร า, าเราติดตามนะครับออริจินของมันเนี่ยนะครับจุดกำเนิดของมันเนี่ยอยู่ที่ไหนแอฟริกาเห็นไครับแอฟริกาเนี่ยเดิมเนี่ยเขาใช้ดนตรีไปทางอะไรครับน้ำมศกาลอะไเทพเจ้าอีอนะครับพวกนี้นะครับนะร บ, บางกลุ่มคริสเตียนบางกลุ่มเนี่ยไม่รับเลยห้ามเล่นห้ามร้องห้ามปังนะครับ แจ๊สบลูโซนะครับแรเนะนะครับเป็นอะไรครับเพราะเนื่องจากว่ารูกของมันมาไม่ดีนะครับชนิดที่หกประเภทที่หกรุ่มบ้านนะครับเซอร์าเพลงเมริกันต้นะชนิดที่เจ็ดเพลงร็อกเพลงร็อกร็อเป็นโล์นะฮะนะและเพลงอะไรอีกเยอะแยะไหมดเลยต้องถามต้งฟังละผมไม่มีความรู้ลวนะครับเพลงอะไรอีกนะ h ท a v ี Metal โอ้โหพี่น้องเคยฟังไหมครับเทปว y m e ท a l เนี่ยนะทนไม่ไหวเพราะว่ามันดิบคันหัวใจมากบึ้มบึ้มบ้มบ้ ม, บมและเป็นเพลงที่บูชาสาตานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในวงการเพลงนะครับเราสามารถแบง่งแบ่งเพลงนะครับในหมู่ของพิเศเนี่ยเราเรียกว่า s e c เคส Music ก็คือดนตรีศั์สิบนะครับดนตรีนอกเหนือจาก นอกเหนือจากดนตรีสัจสิทธิ์เนี่ยก็คือดนตรีไม่สัจสิทธิ์ผมแบ่งง่ายๆอย่างนี้นะครับเซ็ตเพลงิวสิทกับนอนหรืออันเซ็เพลงิวสิท์เซ็ตเพลงิวสิท์มีหน้าที่อะไรครับใช้เพื่ออะไรครับประสงค์คือการนั่งการพระเจ้าคลอ่นฟูจิตใจของเรานะครับร้องเพลงด้วยความคิดเล่นดนตรีด้วยความคิดและเล่นดนตรีด้วยด้วยใจเวลาคนเล่นดนตรีนะครับไม่ได้เล่นตามโน้ตอย่างเดียว เ, ยวเล่นดนตรีแบบดนตรีสัจสิทธิ์เนี่ย คือเล่นไปเนี่ยจิตตีมือเคยมเล่นดนตรีเล่นดนตรีไปเนี่ยเราร้องเพลงด้วยเห็นไหมฮะจิตขาส้นสัเราเล่นตึงตึงตึงตึแต่ร้องธรรมดาเนี่ยร้องจิตาเะมีขยับมือหน่อยครับเป็นไงครับมันบิงมากขึ้นมันสนุกแล้วก็มันหันมาขึ้นมันซาบซึ้งมากขึ้นเห็ครับะโอเคครับ ประเภทต่างๆของเพลงก็ผ่านไปครับดูหน้าถัดไปนะครับหน้าถัดไปเป็นเรื่องของีนิสัยที่เกี่ยวข้องกับเขียนเพลงนะครับด้านจิตเวชด้านการศึกษานะครับด้านการแพทย์เพราะเรนี้มีครูเยอะนะครับผมอยากจะให้อยู่หน้านการศึกษา เขาก็าตั้งคำถามว่าดนตรีเนี่ยสามารถพัฒนาศักยภาพของมือได้จริงหรือเปล่านะครับผลการวิจัยบอกว่าสมองเด็กเนี่ยนะพัฒนาได้ดีผ่านเสียงดนตรีโดยการให้ฟังเสียงดนตรีที่มีความถี่สูงอย่างเช่นไวโอลินเปียโนจังเก้นะครับมันสามารถกระตุ้นความจำและความที่ช่างฉันเด็กได้ดีพี่น้องครับพี่น้องอย่าลืมนะครับดนตรีเนี่ยมันกระตุ้นสมองเด็กได้ยังไงนะผมเชื่อว่าดนตรีเนี่ยจะตุ้นสมองผู้ใหญ่ได้เหมือนกัน พี่น้องสมมุติว่าถ้าเราไม่อยากเป็นอัลไซเมอร์นะผมตั้งสมมติฐานบอกว่าถ้าคุณไม่อยากเป็นอัลไซเมอร์นะคุณฟังเพลงคลาสสิกเพลงฮินทุกวันทุกคืนทั้งตอนตื่นมาก็ฟังเพลงตอนก่อนนอนก็ฟังเพลงน้องนี่แหละเปิดเพลงฟังนะครับเพงลงพวกนี้มันสามารถกระตุ้นสมองได้และมันสามารถทำให้เราเกิดดีแลกช์ได้นะครับเช่นเดียวกันครับที่ UCLA นะครับมีการวิจัยที่บอกว่าความสําคัญของดนตรีกับการเรียนวิชาต่างๆโดย ทดลองจากลมมกลุ่มม2ถึงม6กนีแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้เรียนดนตรีนะครับกับกลุ่มที่ไม่ได้เรียนดนตรีปรากฏว่าผลการวิจัยมาอย่างไงครับกลุ่มที่ได้เรียนดนตรีประกอบนะครับจะมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์อ่าน Read ิ้งและสังคมศาสตร์ Social Science นะครับมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นถึงสี่เเซ โอ้โหนะครับฟังดนตรีเล่นดนตรีเรียนดนตรีสอบผลการสอบดีขึ้น 40% นะครับมีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 40% และนะครับแฟรงเกนเบอร์เกอร์ได้วิจัยถึงผลการใช้ดนตรีร่วมกับการจึดอบรมแบบค่อนคลายนะครับกับเด็กที่เรียนรู้ช้า มีความก้าวร้าวปรากฏว่าการใช้ดนตรีร่วมการสึกบกลมผ่อนคลายนี้ทำให้เด็กมีการเรียนรู้ที่ดีขึ้นและมีความก้าวร้าวลดลงอเลยครับเรียน่เห็นด้วยเห็นด้วยเพราะว่าผลการวิจัยเป็นอย่างนี้นะครับตอนที่ผมเรียนวิชา counseling นะครับไปดูแลเขาเรียกว่าวิชาด้ยวย terminal น, น, น, นะครับ terminal state น, น, นะครับคือการดูแลผู้ป่วยใ้ตายเนี่ย เขามีวิชามิวสิคเทอราปีมิวสิคเทอราปีก็คือว่าเอาพวกแอนดนตรีนะครับที่มีความเก่งมากๆเลยในหัวเขาเนี่ยสามารถจำเพลงได้เป็นพันเพลงนะในทุกยุคๆุคคุณอยากจะเล่นเพลงยุคซิกตเนี่ยเขาก็เล่นได้นะก็คือพวกนี้จะเข้าไปเยี่ยมคนไทยแล้วก็เอาไวเลนเป็นตัวนหรือเอาไว้พอเรียนไปนะครับและพวกนี้ก็จะจมีเขาเขาเขารู้จักเพลงเยอะมากนะแล้วสามารถเล่นได้ พอไปถึงปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเราหย่อนเหรียญในบิวสิคบ็อกซ์นะอยากฟังเพลงอะไรไหมครับผมมีหน้าที่ที่จะมาช่วยเหลือคุณให้เกิดรีแลกซ์นะครับคุณเจ็บปวดแต่เชื่อว่าเพลงเนี่ยจะช่วยให้คุณคลายจากความเจ็บปวดหรือลดความเจ็บปวดได้หรือไอ้เพน เ, เทชโชว์ของคุณเนี่ยมันสูงขึ้นเพนเทชโชว์ก็คือความนี้ความควา ม, ความต้านทานต่อความเจ็บปวดได้ดีขึ้นนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยเ อ, เอาเข็มจิ้มไปหนึ่งเนี่ยลงไปใต้ผิวหนัง mm, หนึ่งมลเมตรคุณเจ็บพอนีใช่ไหมคุณฟังเพลงเนี่ยนะครับเพลงที่โชวคุณสูงขึ้นนะกว่าคุณรู้สึกเจ็บเนี่ยมันลงไปสองมเมตรแล้วอะไรประมาณเนี้ยความรู้สึกป็นอย่างเงี้ยนะครับนี่คือเพลงทีโชเพลงทโชในวงการแพทย์เรกว่าอะไรคนที่เจอความเจ็บปวดปมากๆนะมาก่อนเนี่ยเพลงทโชว์เขาจะสูงคุณเชื่อไหมเชื่อไหมครับเหมือนกับคนที่บอกว่าปกผากข้างแรกเนี่ย อยากจะตายเหลือเกินพรโอกาสคั้งที่องคั้ี่าครั้งที่ไม่อยากจะตายสบายสบายนะครับแบบเดียวกันครับมันสามารถผลนจาความเจ็บปวดได้ความรู้สึกของเราความเจ็บปวดคือความสุขเพราะฉะนั้นก็บอกว่าอะไรบอกว่ า, วาเล่นเถอเล่นแล้ฟังเขาเป็นคนยุค6กนะนะคุณเล่นเพลง60นะ้เขาคิดอย่งในตอนที่เาเป็นเด็กเกิดความสุขอารมณ์ของเขาเนี่ยนะลืมความเจ็บปวดไปได้เห็นครับผมเนี่ยเกิดยุค6กตนะแต่ฟังเพลง ฝรั่งเนี่ยยุค7ซเพราะว่าตอนนั้นเราเป็นวัยรุ่นพอดีเราก็อยากนั่งฟังเพลงอะไรนะกาฟงโตนะนั่งฟังเพล ง, ง, ง, นะ ง, ง, ง, งอะไรอีกอีกแนวนึ่ง น, นะครับท่านผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยที่เกิดในยุค50สนะิบท่านก็จะเขารู้จักเพลงยุค60เพราะตอนนั้นท่านเป็นท่านเป็นวัยรุ่นพอดีนะครับอย่างน้องกลางเนี่ยต้องรู้จักเพลงยุคอะไรนะยุคมิเลเนียม ก็คือหลังปีสองพันเนี่ยน้องปาก็จะรู้จักเพลงเนี่ยแต่ก่อนหน้านั้นน่ะน้องปานยังไม่รู้จักเพราะคนพวกเนี้ยเป็นคนที่เดินเข้ามาในห้องห้องคนไข้เนี่ยแล้วก็ถามว่าเขาเขาก็เาก็จะต้องมีอะไรเรียกว่าโอปีดีการใช่ไหมครับนะเป็นไอพีดีการแล้วเพราะว่าเขเป็นคนไข้ในแล้วนะครับก็ดูว่าอายุเท่าไหร่อ่าเป็นเพศชายอเพศหญิงนะครับจากการพูดคุยใเบื้อง้นกนี้คุณขอเพลงให้วันนั้นถินนี่คือมิวสิควาชาปิ ม u s i ิกเ e นบีเนี่ยนะครับสามารถทำอะไรครับสามารถทาให้การเต้นของหัวใจความดันโลหิต น, นะครับปกตนะิการให้ผู้ปว่วยฟังเพลงความถีของเสียงต่งเช่นเสียงแซกโซโฟนเสียงครุยหรือเสียงปีนะครับจะช่วยทำให้เกิดความสงบและลดอาการความเจ็บปวดของของขอ ง, ของโรคต่างต่างได้อันนี้คือสิ่งที่คลีจักเรานะครับได้ทำอยู่ทุกวันนี้ก็คืออะไรครับ เราอาจเป็นฮิมนะครับเข้าไปอยู่ในแผ่น s d สดีกนะครับเวลาเราไปเยี่ยมคนไข้คนป่วยเนี่ยที่อยู่ในโรงพยาบาลเนะี่ยไม่ว่าจะอยู่โรงพยาบาลนาะนเป็นเดือนๆ น, นะครับหรืออยูในห้องไอซียูนะครับเราอยากให้ไปทั้งวิทยุเลยนะครับเป็นวิทยุเล็กๆเดวพรุงนี้ผมเอามาให้ดูนะครับก็คือให้ผทไปนั่งไปนอนฟังนั่งฟังให้ยากเปิดที่ฟังในไะ c u ก็ให้โรงยาบาลเปิดให้ฟังนะเราจะมีเพลงทั้งหมด90เพลง และก็มีท้าหนึ่งที่ได้แก่มัตติวจิงวิวร์ครับตลอดเลยนี่ครับด้านการแพทย์ด้านการอภิบาลนะครับก็สามารถทำได้ด้วยเหมือนกันนะครับด้านศาสนาครับด้านศาสนาหลักฐานทางบวชศา์ก็บันทึกว่าในปีประมาณ 1,100 มีการใช้ออแกนเป็นหลักในการบันเลงประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเริ่มมีดนตรีเข้ามาถูกครับตอนนั้นเนี่ยก็คือมันยุคอะไรครับยุคอะไรครับพี่น้อง ยุคประชยุคเงิดยุคเพลงครับยุคเพลงยุคเพลงครับเกทเกาหลีนะกอไก่มากรเกทเกาหลีนะครับแล้วก็อันอันท <laughs> <laughs> <tomar> ี่2 <forum> ก็บารโอลอันที่3ก็คลาสสิกอ่าอันที่4 <subscribe> ก็โรแมนติกจะว่าไปเห็นไหมครับ4ยุคเนี่ยเราจำได้จบายและสอบได้แน่นอนวิชาวิชาซีวิลิเซชันนะ เรียนตอนปีหนึ่งทุกๆคนได้เรียนบทใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นครับด้านศาสนานี่นะครับพี่น้องพี่น้องเวลาที่เราไปฟังมิสไซยาเนะียุคของยุคของบาโรนะครับมันยังไม่มีปิโดนเฮ้ยไหมครับไม่มีเปิโนเลยนะมิสไซยาพี่น้องก็เล็นปโนไหมเขาเล่นเปิโน้อหรือเปล่าครับไม่เล่นเล่นตอนซ้อมอย่างเดียวเพราว่าจะให้ถูกถูกถูกโน้ตถูกไหมครับทําไมไม่มีเปิโนครับ เพราะว่ากลไกต่างๆเนี่ยยังยังไม่ได้คิดคนมันขึ้นมานะครับมีอะไรครับมีฮาร์ฟซีคอฮาร์ฟซี่คอคืออะไรครับฮาร์ฟซี่คอก็คือบรรพบุรุษของเปียโนแต่มันเป็นตัวเลขนะครับเวลากดเนี่ยมันติงต้งติงต้งติงต้งติงต้งติง้งติ้งติ้งนะฮะเสียงมันจะเท่ากันหมดเลยคุณกดแรงๆมันก็เสียงเท่านี้แหละกดเบาๆค่อยๆมันก็เสียงเท่านี้แหละนะครับ ต่อมาเนี่ยเมื่อกลไกต่างๆเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยพัฒนาขึ้นมันเปลี่ยนกลายเป็นเปียโนเปียโนนี่ชื่อเต็มเนี่ยพี่น้องรู้มมันมีชื่อเต็มของเปียโนคืออะไรเปียโนฟอนเตเปียโนแปลว่าเบาฟอนเตแปลว่าเออไอเครื่องที่มันเล่นเบากด้ด้วยดังได้ย่นะะเห็นเปียโนฟอนเตเราเราเราใช้แค่เปียโนเฉยๆนะจริงๆเนี่ยชื่อเต็มของเปียโนคือเปียโนฟอนเตคืออะไรครับ คือเล่นในทั้งเบาเล่นได้ทั้งดันกดแรงมันก็ดงังกดเบามันก็ค่อยแต่ภาพที่ขอไม่เป็นย่างนั้นภาพที่ขอที่คืออะไรครับกดแรงแรงมันก็เสียงเท่านั้นแหละกดเบาเบามันก็เสีเเยงเท่านั้นเลยเวลาเราซื้อคีย์บอร์ดนะครับพี่น้องอย่าลวนหลอกนะคีย์บอร์ดเนี่ยนะครับบางอย่างเนี่ยมันจะเป็นแบบภาพที่ขอเลยคุณกดไปมันก็ดังเท่านี้เลยอันนี้แบบถูกแบบแพงนี่เป็นเล่นแบบเปียโนโฟนเต็แบบแพงที่สุดก็คือกดไปนะครับ น้ำหนักจะเป็นเหมือนปินโดเลยมันจะต้านนิ้วได้ด้วยนะอันนี้คือแบบดีสุดครับอันนี้เป็นปินโนไฟฟ้าเห็น ไ, ไหมครับอันเนี้ยคีย์บอร์ดมันมีหลายหลายระดับเหมือนกันโอเคครับผมกำลังพูดข้างฟิวนะครับอยีแล้วลอยาวเนี้ยอยู่บนตั ว, ต, วตัวท่านเห่านี้นะครับโอเคแอนดเดวไมใสนะ่อเท่าเาเรื่องสักน่นะครับ เมซายาเป็นผลงานออริโทริโอสำหรับการขับร้องประสานเสียงโดยจอร์จเฟร e ิคันโดเป็นหนึ่งในหนึ่งในครับบทร้องประสานเสียงภาษาอังกษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคิดเส้นตายครับมากที่สุดก็คือการประสานเสียงหรือว่าคอรัสนี่ครับที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคืออะไรครับแฮนโดเมซายา เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากําลังเรียนอะไรเรากําลังเรียนเกี่ยวกับกงพีเรากำลังเรียน Perspective ของบ i บิลิเคิลเทโอ i c a l ิลและมิวสิเคของบท o r a t o r i ิโที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกและฟังบ่อยครั้งที่สุดใโลกและก็ที่สําคัญก็คือว่าเนื้อเพลงเนี่ยมาจากข้วจนะของพระเจ้าทั้งสิ้นเลยและนี่เป็นเหตุที่ทำให้ผมเนีวันนี้นะครับ3วันนี้พวกเราต้องมาทุกวันนะบอกกันตรงเลยวันนี้เมื่อผมเตรียมนะครับอาจารย์พูบอกว่าอาจารย์เชิญ จะทําไงดีผมโอ้โหพอเต้นไปปุวกเนี่ยมีความสุขสุดยอดถามว่าสุดยอดอยังไงสุดยอดก็คือว่ากว่าที่เขาจะร้ยอยเรียงมานครับเป็นเพลงเป็นทานองเป็นเนื้อร้องเนี่ยมันผ่านกระบวนกาบางคิดนะครับซึ่งเขาใช้คำว่าแม็กก็เออนะครับแม็กก็คืออะไรครับ ถ้าใครมีสมาร์ทโฟนเปิดเข้าไปดูแม็กกอดคืนหนอนดักแดงเขาบอกว่าเขาบอกว่าเจนนิงนะครับเดี๋ยวเดี๋จากเจนนิงส์เป็นใครเจนนิงเนี่ยนะครับมีแม็กกอดเยอะแยะในสมองของเขาแม็กกอดเยอะแยะในสมองเขาก็คือมีหนอนดักแดงเนี่ยไปมสมองไม่ใช่พยาธิขึ้นสมองนะครับไม่ใช่ เป็นหนอนดักแด้ที่กําลังรอคอยรอคอยที่จะออกมาจากไอตัวดักแด้นะครับกลายเป็นผีเชื่อที่โผบินโผบินไปนไหนครับโผบินสู่วิชาภาพแห่งเสียงเพลงแห่งความคิดจินตนา ก, การที่เกิดขึ้นจากควจนะของพระเจา้านี่มันจุดยอดตรงนี้คือกรมแต่งเนี่ยเขาจะมีอะไรพูดง่ายว่าประเด็นต่างๆนะกก่อนเนี่ยคือประเด็นต่างๆที่ซ่อนอยู่ในหวัวของ และเราที่เรียนเมสเซียแบบเนี้ยเราก็ลังจะขุดค้นว่าเอ๊ะเขาคิดอะไรเขารู้สึกยังไงแล้วทําไมเขาต้องเป็นอย่างนี้นะครับเวลาที่เราฟังเพลงเมสเซียต่อไปเนี่ยไม่เหมือนเดิมนะครับคุณจะเหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมก็เาในครับคือเราฟังเพลงเหมือนเดิมเนี่ยเวนวงก็วงเดิมนั่นแหละแต่แ็เป็นบทเพลงใหม่ที่ผมพยายามอธิบายว่าที่กษัตริย์วิวว่าจงร้องเพลงบทใหม่หมถาวายพระเจ้า ร้องเพลงไงครับเพลงฮิมเนี่ยเก่าหลายร้อยปีนะครับทําไมร้องเพลงกฏใหม่ได้เไงครับร้องด้วยความรู้สึกหใหม่ใหม่ร้องด้วยความเข้าใจใหม่ใหม่ร้องด้วยความทราบซึ้งใหม่ๆที่เราเลยครับมีประสบการณ์กับพจจระเจ้าวิญญาณของเราไอ้นี่จะเป็นเพลงกฏใหม่เพลงเหมือนเดิมแต่ร้องไม่เหมือนเดิมเห็นไหมครับนะชีวิตเราก็คือเนี่ยคุณคนเนี่ยคือ ค, ค, ค, คุณนี้คือคนนี้คือคนนี้แต่เลยครับ ใหม่ทุกเช้าเราในดวงใจทราบซึ้งทุกๆุกวันใหม่อ่าเห็นมเห็ครับใหม่ทุกเช้าเราในดวงใจทราบซึ้งทุกๆุกวันใหม่พระองค์ทรงความเทียนตรงยิงนนะาพระองค์ทรงความเทียนตรงพอมหมครับ อย่าคิดมากทุกคืนนะครับอย่ารีนครับเราดูโอ้ดูเห็นนะครับโอเคครับเอาล้วครับคำว่าโอ g รโตริโ O คืออะไรโอเรนโตริโอครับอะไรนะครับ โอราน o ทเรียนี่คือภาษาอังกฤษกันครับ The Large The Large Scale นะครับก็คือเป็นบทเพลงยา ว, ยาวนะครับนะ Music for Orchestra and Voice and Vocal ก็คือว่ามีทั้งออเคสตราและก็มีทั้งนักร้องนะครับและนะครับเป็น Second Music ก็คือเป็นดนตรีศักดิ์สิทธิ์ครับนะครับ Based on Religious Theme ก็คือจะต้องมีหัวข้อหัวเรื่องต่างๆนะฮะนะซึ่งเป็นโครงสร้างของเนื้อหาของบทเพลงเนี่ยเกี่ยวข้องกับศาสนานะครับและนะครับไม่มีคอสตูมไม่มีคอสตูมก็คือไม่มีตัวละครไม่ไม่ต้องมีแต่งไม่ต้องแต่งตัวนะครับคนร้องนะครับคนร้องเพลงเอ่อเมสซายานะครับแต่งตัวไหมครับ ให้ดูดีใช่ไหมฮะแต่ให้ดูได้ฮะเนี่ยให้บึ้ดๆแล้วยังดูดีอะไรประมาณเนี่ยนะแต่แค่นั้นไม่ต้องมีคอสตูมเหมือนกับพวกโอปร่าเวลาร้องโอปร่าพวกเนี่ยโอ้โหต้องอะไรครับต้องแต่งตัวถ้าเราร้องเป็นเพลงที่คล้ายๆกับว่ามีนักแสดงนะโอ้โหเป็นไรครับต้องแต่งตัวเป็นแบบนั้นหน่อยถือว่าแต่งแต่งเป็นแบบนี้่ะออกมาเป็นทหารก็คือรู้ว่าว่าคนนี้เป็นทหารออกมาเนี่ยเป็นเป็นอะไรเป็นผู้รายรู้ว่าคนนี้เป็นผู้ราย นั่นแหละนะครับแต่ว่าโอริทเรโอเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับยกตัวยอย่างเช่นมีโอริโทเรโอของนักปั์ไหลายคนเช่นบารนะครับบาร์โจฮันซีบาสเตียนใช่ไบาอยู่ในยุคไหนนาะบารอก Bach นะครับยุคเดียวกับไฮแฮนเดลใช่ไหมครับนะบาีก่กเขาแต่งโอริโทเรโอสำหรับคริสต์มาสอีน้อง อยากจะฟังใช่ไหมครับคลิกกันไปที่ YouTube นะฮะ u t u b e เนี่ยคลิกกันไปเลย b า c ์แล้วก็ Christmas นะครับคุณก็ได้ฟังนะครับคราวนี้ไฮเดนแ a n d l e Messiah เนี่ยสบายมากครับคุณแค่พิมพ์ว่า h a n d ดลปุ๊บเนี่ยครับมาเลยครับมายู u b e เนี่ยมาหมดเลยนะและก็อะไรไฮเดนไฮเดนอยู่ทุกไหนนะไฮเดนไฮเดนไฮเดน เขาแต่งโอริโทโยเดอะครีเอชันนี่คือโอริโทโยซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสนานะครับที่ที่แบบไฟมัสมากเลยก็คือมีชื่อเสียงมากเลยนะครับสามโอริโทด้วยกันนะครับนั่นคือ s ช็คให้บิวสในเดียวกรนะัรเนี่ยมี Orchestra มีการร้องเพลงและต้องไม่มีคอสตูมสามสามประเภทนี้นะถ้ามีครบสามองค์ประกอบเนี่ยถูกจัดเป็นโอริโทโยหมดโอเคครับ คำว่า oratorio เนี่ยรากศัพท์มันมาจากไหนไม่ใช่โออเรลนะครับจริงๆมันก็เกี่ยวข้องกับโลกผมถามพี่น้องพี่น้องรู้จักคำนี้ไหม เกลเียสท่านฟังทุกวันทางไลน์ปัญญาจาร์จริงๆปัญญาจาร์นนรานเนี่ยนะครับท่านใครที่อายุ55ห้าครับเพราะทำปัญญาจาร์เนี่ยสมัยก่อนนะเขาเรียนพระทรรอะไร เป็นคิดเตี่ยนหรือเปล่า <laughs> เป็นคิดเตี่ยนหรือเปล่า <laughs> ปัญญาจารย์สมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนเลยนะเขาเรียกว่าต้องทอะไรครับถ้าใครข้อมีมาเนี่ยเปิดได้เลยครับบางฝั่งเปิดบางที่รู้เพราะว่าบางอยู่ทุกหลังอลย <laughs> ใช่ฮะ ท่านผู้ประกาศเห็นหมั้ยครับท่านผู้ประกาศก็คือ the preacher the preacher นะครับเอ็ e เซลเซียซิสเนี่ยก็คือ the preacher เอ็กเ s i a ซคืออะไรแหมดาวเก่งจังเลยแต่ไม่ถูกเอ็กเ s i a ซแปลว่าชุมนุมคนที่มารวมกัน ในพจน์กรมพีใหม่ X Telcia แปล ว, ว่าคลิปตาจักร hmm. เป็นไงครับรู้สึกอไม่ซิ้นไหม X Telcs แปล ว, ว่าคู่ประกาศหรือค r e a ชอร์นะครับแล้วก็มีความหมายเดียวกับ Oratorio Oratorio นะีพี่น้องคิดกันไปดูใน Google นะแปลว่าอะไร แปลว่า the picture ก็คืออะไรครับเพลงเนี่ยหรือออเรโตริโเนี่ยหรือซิมโฟนีของเปซาชุดนี้นะครับที่เรียกวาออเรโตรโเนี่ยกำลังอะไรครับสื่อสารประกาศจากผู้ร้องประกาศถึงอะไรครับรเยเมสายาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมซิงมากเลยพอเวาเข้าไป ด, ดูละเอียดละเอียดลึกเข้าไปนะเราจะเห็นเลยครับว่าออเรโตรโมันเกี่ยวข้องกับการประกาศ มันเกี่ยวกับนักเทศใช่ไหมครับก็กขาทอะไรเขากำลังอาศัยเพลงเนี่ยเทศนาให้ฟังเมื่อเช้านี้เมื่อเมื่อเมื่อตอนเที่ยงนี้ไปไปทานอาหารที่เทอรมิย่เอเจอผู้กองสุวัสินะครับอเอยชื่อทัก้ผู้กองสุวัสิบอกว่าอะไรครับผมก็คุยไปคุยมาผมว่าเนี่ยเย็นนี้นะผู้กองครับผมจะขออเรียนให้ทราบว่าที่บัวกระึนาเราเนี่ยนะจะมีการ เปลี่ยนบาทีเกี่ยวกับมิสายาเพราะท่านเคยเป็นประธาน ม, มิสายาท่านบอกโอ้ดีมากเลยเดี๋ยวอีกหอยนี่นะจะเชิญอาจารย์ไปสอนเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่จะให้คนที่ไม่เป็นคริสเตียนที่มาร้องเพลงเขาจะได้ชาบซึ้งในเรื่องของพ่อแม่ชงน่าเนี่ยผมก็เลยว่าโอเคผมจะเตรียมให้ดีเลยฮนะอาจารย์อย่าลืมเรียผมนะผมจะไปเพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่มาร้องเพลงไม่เป็นคริสเตียนจริงๆได้หรือไม่ อันนี้เป็นครื่ช่วนะครับให้ท่านไปนแก้แก้ปัญหาปริศนาคนที่ไม่ไปด้วยเสียงมาร้องเพลงไม่ใส่ย่าได้ไหมเออนะครับบางคนบอก็ได้เพราะอะไรครับก็ถือโอกาสประกาศก็้ฟังเลย <c oughs> บางคนบอไม่ได้เพราะมันเซ็ตแคดมิวสิกต้องร้องด้วยเซ็ตแคดพีโฟงนะฮะอันนี้คือหลักหนึ่งอีกหลักนึงบอกไม่ใช่ครับเราเปิดให้คนทั่วไปร้องได้ถ้าว่าคนนั้นเนี่ยยอมที่เข้ามาร้อง ก็แสดงว่าเขาเปิดใจใช่ไหมเราก็อะไรครับเอาโคชินาใส่เข้าไปเลยเอาพุดพุดไทดิ้งนะครับใส่เข้าไปเลยมีโอกาสที่เขาจะรับเชื่อประจาอันนี้แค่เรื่อเป็นสำคัญนะสำคัญหนึ่งกมไม่ได้อีกสำคัญหนึงผมได้นะครับก็ปล่อยให้เขาเปลเองแต่พัฒนาอะไรครับพัฒนาเราเอาไงเอาไงดีครับต้องถามท่านท่านอาจารย์เฉลยเจ้าอะไรดีครับอืมเห็นไหมครับถ้าผมผมผมวางแนวทางอย่างนี้นะครับว่า ถ้าร้องในพระวิหารนะร้องในวิหารนะควรที่จะเป็นพิเยนแต่ถ้าร้องนอกพระวิหารนะอาจไม่ใช่พิเศษร้รรองได้เพราะอะไรครับเพราะว่าผมได้คำสอนจากโคจนาพระเจ้าก็คือตอนที่สมัยดาวิดนะดาวิดเนี่ยนะครับกับท่านางมีคันมีเขานะเราเรียกนะ่นว่ามีคันนะ ที่เป็นภรรยาของดาวิดนะเป็นลูกสาวของกษัตริย์สาวดูมีคานเนี่ยนะมองออกมาเห็นกษัตริย์กษัตริย์ดาวิดเต้นลาใหญ่เลยนะเต้นเราเต้นเราเต้นเรามีคานก็ดูหินใช่ไหยดูหินกษัตริย์ดาวิดบอกว่านี่เธอทําอะไรผมเคยเทศ น, นาเรื่องนี้นะครับแต่ว่าจริงๆกษัตริย์ดาวิดเนี่ยลองเพลงถว า, ายพระเจ้าแต่นอกพิธี้ในก็มีหารทาได้ไหครับไม่ได้ เราเห็นหลักการนี้นะครับนะแต่บางคนอาจจะไม่เชื่อหมอไม่เอาก็แล้วแต่นะครับแต่เราก็ตั้งตรงว่าเออถ้าเกิดมีอะไรผิดผ่านเนี่ยเราควรจะอะไรสมองบนิ่งนะครับปล่อยเขียนพระเจ้าอีกด้านหนึ่งแต่นอกคุยผิดผ่านเนี่ยโอเคนะครับผมก็ตั้งตรงผมว่อย่างนี้นะครับจากข้อวจินาของพระเจ้าโอเคครับ คำว่าออเรโตริโอเนี่ยมันจากภาษาลาตินก็คือแปลว่าพ i ชเชอร์เหมือนกันนะครับถ้าเป็นภาษาอิตาเลียนเนี่ยก็คือเอกเคลเซียเอกเคลเซียเนี่ยเกี่ยวกับโบสแปลว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้อกับโบสนะครับเพราะออเรโตริโอเนี่ยเป็นเพลงที่อะไรครับร้องในโบสร้องในเพิธีหารนะครับจะไม่ค่ อ, อยมี ใ, ใครบอกไปร้องในโรงแรมนะครับ เรือร้เรนี่ยร้องีกโอเคนะครับเอาลครับพอมาถึงตรงนี้พวกเนี่ยผมก็จะมาที่บทัที่สามครับเนื้อร้องนะครับมาจากต้องพลงฉบับนิ ก, กาย Church of England ตรงนี้อาจจะต้องขออาจารย์พอเนี่ยนะครับอธิบาย Church of England เนี่ยคืออะไรนะครับเท่าที่ผมมีความรู้นะครับ ผมขออยา่าอาจารย์เพราะว่าแบ่งตางที่ก่อนก็คือว่า Church of England เนี่ยรากของเขาเนี่ยจริงๆนะฮะก็มาจากการปฏิรูปศาสนาของมาที่ดนเทอร์นะแต่มันมีเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องใช่ไหมอาจารย์เปนเรื่อง p o l i t i c a l เนี่ย p o l i t i c มาเกี่ยวข้องในสุดเนี่ยนะครับเขาก็ไม่อยู่ในคณะ l u t h อร์แลนเขาไม่อยู่คณะเอเขาไม่อยู่ในคณะอื่นๆฮนะเขาก็ตั้งคณะของเขาเรียกว่า Church o f ฟอิง ซึ่งในสมัยนี้เนี่ยครับก็พัฒนามาเป็นคณะแองกิลกันถูกไป็นรับการอาจารย์มีอะไรเเพิ่มเติมไหมครับเพราะเพราะว่าอาจารย์พอนั่งอยู่ที่นี่นะครับก็ขออาจารย์พอเสริมนิดนึง Church of e n g l แ n d เนี่ยเป็นยังไงครับพี่น้องฟังนะครับไม่จทรแต่ว่าเป็นชาติว่าเชิร์ชเป็นมุ่งมันพังคมอจชา แล uh, really, oh. <r idden> ้วก็นาเป็นแคเอรอรีมชมชอแนเทอรีครับอพชนะอชอแครบรีา่มีแล้วก็มีระดับ e g Church กับ Church uh, ไฮเชิร์ชเป็นเพศคาลิกมีพิธีกรรมเยอะโลกก็มีทีมันมีอะไราพิธีกับอะไรบางสงเยอะๆเสื้อผ้ากันคาทอลิกนะโลดเชิร์ชเป็นเหมือนพวกเราบ้งดวยเ่นกันว่าศาประคริสต์ปอยู่ในเชิร์ชเป็นอ่าให้เป็นความรู้ขอบพระคุณอาจารย์ครับ High Church ก็คือพวกพวกแต่งตัวเยอะๆนะครับเหมือนกับทางเอ่อทางคทอลิกนะครับ เนี่ยมีการแข่งในพวกเนี้ยนฮะแข่งต้มแขงในพวกเนี้ยนะครับนะแล้วก็โลชช์ก็คือเหมือนกับพวกเรานะครับโอเคครับผมเสริฟที่นึงนะครับถ้าอันเดอร์กราวชชบอันนี้มีจริงนะครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ระเทศจีนครับอันเดอร์กราวชช์ครับไม่ต้องมีเทียนครับก็นำมาสการพระเจ้าได้มีพระกงพีเล่งเดียว แม่นี้อันดกง่าวเช่ครับโอเคครับ King James Version นะครับเป็นพระคัมภีร์ฉบับที่เขาเรียกว่า Authorized Version ภาษาอังกฤษใช้คบว่า AV นะครับเหมือนกันครับ KJV ก็คือ King James Version ก็คือของอะไรครับ ถูกชำระขึ้นนะครับให้ตรงกับให้ตรงกับภาษาเดิมมากที่สุดในสมัยของพระเจ้าเจมส์ที่1แหง่งอังกฤษก็คือในขศอสองหนึ่งนะครับถ้าพี่น้องจำได้นะตอนมาที่ลูเทอร์เนี่ยปฏิ ร, รูปศาสนานะครับมาอยู่เริ่มปฏิป ร, รูปศาสนาคศอสองหนึแต่กว่าจะมาเป็นคิงเจมส์นะครับหรือ a u t เทอร์ไร เวอร์ชันได้เนี่ยก็คือ1611เกือบร้อยปีนะตั้งแต่ยุคมาทิรูเทอร์นะแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆผมเคยบอกกับพี่น้องครับเรายังไม่เรียกตัวเราเองก็เป็นโปรดแดนโปรดแดนนีไม่ใช่นะครับเราเรียกตัวเองว่าอะไรครับเออมีมีกนเก็ตแะครับในว่าอรีฟก็คือนะครับเราเป็น พี่น้องพูดกันๆปฏิรูปนะพูดเล่นๆกปปศถูกไหครับนะปฏิรูปก็คืออะไรฮะรีฟอร์มเมช่นไงฮะีฟอร์รมเแปลว่าปฏิรูเปเพราะนั้นเรียกเองว่าเป็นปฏิรูปเขาเรียกราวว่าเป็นกบฏโเดนปลว่ากบฏพเต์่กูต่อต้นโพเทส โปรเทสเตอร์โปรเทสเตนเรายั้นียตัวเองว่ากบฏพี่น้องเห็นครับเขาเรียกตัวเว่าผมพวกกบฏมีครับมีผมพวกอะไรครับเป็นลูกเพราะฉะนั้นพี่น้องเรียกตัวที่ถูกนะครับอย่าเรียกโปรเสโปรตนเตนี่าิเรียกเรานะครับเราต้องเรียกตัวเองว่าเออเข้าใจครับผมเรียนรู้เรื่องนี้เพราะไรผมไปเรียนอเมริกาเนี่ย ที่อเมริกาเนี่ยพักคิศทางที่ผมเรียนเนี่ยนะครับเขาเขาเป็นรีฟอร์มนี่ราอร์มอะไรอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วรีฟอร์เนี่ยเป็นต้ น, นหนึ่งของ เ, เทสเตอร์เรีนคือพวกเรานะครับรีฟอร์มเป็นต้อหนึ่ของแบทเทิลรีฟอร์มเป็นต้ น, นหนือนของทุกอย่างที่ไม่ใช่ Cat เซียมยกเว้นกรีปอโซด็อกอย่างเดียวนะครับโอเคนะครับโอเคครับมันย่อดน้าที่สองครับ จอร์จเฟริกฮนเดเป็นนักประพันธ์เพลงชาวเยอรมันแต่ไปอยู่ที่อังกฤษนะครับเป็นศิลปินไส้แห้งอันนี้เป็นเรื่องปกติศิลปินทุกคนส่วนใหญ่ไสแห้งนะครับทำไมถึงไส้แห้งไหมครับพี่น้องเพราะเขาเป็นศิลปินทำไมครับเพราะเขาเป็นศิลปินนะศิลปินคืออะไรชอบฉันก็ทำไม่ชอบฉันก็ไม่ทำ มีอารมณ์ฉันจะทำไม่มีอารมณ์ฉันไม่ทำจริงปะจริงไ้มครับอยากจะว่าดนะก็ว่าดพอใจว่าดก็ว่าดอยู่กับนายคนนี้ยอยู่กับนายคนนี้พวกศิลปินนี้มักจะมีนายคุ้มหัวนะครับเขาอยู่ในสํานักนี้อยู่ในวงนี้อยู่ในวงนู้นนะฮะอยู่กับครัวเคลวาร์เจ้าขุนมูลนายในบทฟิวดัลนิซึมสมัยก่อนนะเขาอยู่แบบเนี้ยเขาชอบนายเนี่ยโอ้เข้าทำตายเงินไม่เอาก็ได้แต่ว่าอะไรครับถ้าไม่ชอบนายนี่นะ คุณบังคับให้เงินเท่าไหร่เขาก็ไม่ทําให้พวกศิลปินถึงใจใช้แห้งแง่คือทํางานฟรีตลอดพ อ, อชอบทําชอบทําชอบทำใช่ไหมแล้วพวกที่บอกให้เงินเนี่ยไม่เอาหรอ ก, กเงินซื้อฉันไม่ได้เนี่ยศิลปินถูกไหมครับนะอยากจะทําก็ทํานะไปมีภรยนะ ร, ยรยาเนาะภรรยานอกใจภรรยาไปมีชู้นะ่ยเพราะอะไรเพราะแต่งเก่งดึก ไอแม่เนะี่ยโมสาอะไรพวกเงี้ชยชวดเข้าครัวแม่เสียหายหมดเพราะอะไรครับเพราะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอานี่เอา เ, เอา น, ปป น, นี่ยพวกศิสปินเลยครับพี่น้องนะต้องเข้าใจในะเรื่องปกติคนระเรื่องปกตินะครับทีนี้ถ้าใครแต่งงานคนที่เป็นศิล ป, ปิน น, นะครับพวกุูกเนี่ยกลางคืนนอนเนี่ยนะครับกายหน้าผนะ่าเลยนะครับก็เป็นศิลปินเนี่ยเป็นศิลปินเองเขาจะมีหู เศิลปินมากเลยเดี๋ยวสีสันสีสันอเงี้ยเวลาเขาดีนะเขาชอบอารมณ์ดีนะอุ้ยโรแมนติกมากเลยนะครับอย่าทําให้โกรธนะนี่คือศิลปินนะครับครูก็เหมือนกันนะครูบางคนเป็นศิลปินครูบางคนเป็นครูวิทาศาสตร์ไม่เหมือนกันนะครูศิลปินนี่เป็นอีกแบบนึงนะครูวิทยาศาสตร์อีกแบบนึงครูวิทยาาร์นี่ตรงๆทื่อๆนะแต่ครูศิลปินพลิกไปพลิกมาเห็นไหมนะนั่นคือคือคือศาตรและศิลป์พี่น้องเข้าใจเรื่องนี้ได้ยังไงครับเพรเวลาเขา Bachelor d e g r e e of, science> of um s c i e n c e Bache of Gear กอเอก็คือ BA กับ BSC นั่นแหละโลกกับแบ่งเป็นสองฝ้า <Yes. ฝ้าหนึงใช้เหตุผลใช้สมองทิ่งมากฝ้าน่งใช้อีกชี้นหึงมากเนี่ยมันก็เลยได้บาลานซ์มันต้องมาอยู่ร่วมกันก็บาลานซ์ครับนี่ยคนยังพูดอีกคนนึงรึเปล่ฟังนะเห็นไหมถ้าเกิด2คนพูดพอมองกันไหมครับลูกเดินออก โอเคนะครับจอร์จ <ś led> เป็นหนึ่งเดียวไสแห้งในวิดีการนะครับถึงขนาดที่ว่าเดินเตะๆไม่มีจุดหมายนะครับแล้วก็มีวันหนึ่งครับขณะาาที่เขาเดินเตะๆอยู่เขาพบสองจุดหมายสองใหญ่บนโต๊ะทํา ง, งานของเขามันมาจากชาวเซเนนชาวเซนเนนสคือใครชาวเจเนนคือขาหบดี คนที่ร่ํารวยมากนะครับและมีชื่อเสียงทางสังคมและคนนี้เป็นคนเคร่งาศาสนาชาวเจนเรนนเนี่นะครับส่งเป็นนักเทนนะครับเขียนเนื้อเองส่งมาให้ใส่ใส่ซองมาเลยครับและเมื่อแฮนเดิลเปิดมาครับมันเป็นข้ อ, ขอความข้ามผีใบบิลและแต่งบางบางคําำเองแล้วกลายมาเป็นแฮนเดิลเมสเญาอันนี้คือประวัติของที่มาของ ถามว่าการโดนใจเกิดจากอะไรครับอินสปิเรชันของเมสซาย่านะครับแฮนเดลเมสซายาเกิดจากาพระคัมภีร์ที่ชาวเซนเน่เนี่ยนะครับบรรจงร้อยเรียงนะครับและส่งมาให้กับแฮนเดลและแฮนเดลี่เองนะครับก็อะไรครับรู้สึกที่นี่บอกว่าอนะไรพอเขาได้อ่านนะครับว่ า, วา พระเจ้าของเจ้าตรัสว่าจงเล้าลมจงเล่าลมประชากรของเราประชาชาติที่ดําเนินอยู่ในความมืดจะได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่มีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเราพระศีรุ่งโรจน์จงมีแด่พระเจ้าที่ที่สูงสุดนี่คือพระธรรมอิสยาห์ที่ชาวเจนเนนเนี่ยส่งให้เขาแล้วเขาก็อ่านพวกนี้เขายันไปสุดเนี่ยทํางานในจิตใ จ, ใจขเขามันพังทรวไปพี่น้องอ่านต่อไปนะครับ ความรู้สึกเร่าร้อนจนไม่อาจจะหลับได้ทําให้เขาลุกขึ้นและปาจีัยเปี่ยนโนและเสียงดนตรีก็ได้รั้งครัวมาจากใจของเขาอย่างท่วงทน้นด้วยความสั่นสนะทานและด้วยความมีดีแห่งชัยชนะเขาใช้เวลาสามสัปดาห์นะครับทั้งวันก็นคือเขียนอย่างดิ้โลดไม่ยอมหลับพักผ่อนหรือทานอาหารเก็บตัวนะครับไม่ทานอาหารนี่ไม่ได้หมายความว่าไม่ทานเลยนะคือส่งข้าวส่งน้ํานะครับจากขนอนเนียเข้าในห้องตลอดแล้วก็อะไรครับ และก็ <c oughs> ในที่สุดผลงานเขาสาเร็จเพกกื่อนเขหนึ่งมาพบ ก, กับแฮนเดลนั่งอยู่ที่เปียโ น, โนเขาโรยชีตเขาเขาเจอชีตเนีชีตเพลงเนวางทั่วไปหมดเลยในห้องของเขานะครับไม่ใช่ว่าพอพอกระพันเพลงเือพิกเก็ตพิกเก็ตไม่ใช่นะครับคือประพันเพลงก็โยนกระพันเพลงก็โยนเห็นภาพนี้นครับโยนกองเต็ไมไปหมดเลยนะครับสามสัปดาห์ด้วยกันนะครับเขาอุทานขึ้นมาว่าฉันเชื่อแล้วฉันได้เห็นสวรรค์อยู่ต่อหน้าต่อตา และฉันเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ยิ่งใหญ่พี่น้องนะอันนี้เป็นความฝันสูงสุดนะเวลาที่เราฟังเพลงมิสไซยาณ์นะเราต้องเห็นนี้เห็นสวรรค์อยู่ต่อหน้าต่อตาเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าไม่เห็นยังไม่ถึงคนระับนี่คือเพลงที่เราต้องปีนกรไดอฟังผมเดี๋ยบอกให้พี่น้องไม่ใช่เพลงฟังแล้วเอาสนุกเอาเพ ร, ะ, เพระนะครับ ไม่ใช่เพลงฟังแล้วเอามันอย่างเดียวไม่ใช่นะครับแต่เป็นเพลงที่เวลาฟังพวกนี้คุณต้องคิดว่าคุณเห็นอะไรจากเพลงเนี้ยคุณฟังแล้วเนี้ยคุณเห็นพระเจ้าหรือเปล่าเห็นการช่วยรอดหรือเวทลิมเมอร์หรือเปล่าลิเมอร์หรือเป่ า, ปาถ้าคุณฟังแล้วไม่เห็นนะครับฟังใหม่จริงๆไม่เห็นนะศึกษาข้อชนะให้มากขึ้นเพื่อที่รู้จักพระเจ้ามากขึ้นแล้วคุณจะเกิดความซาบซึ้ง น, นะครับเอานะครับขอ ไปที่เนื้อหาอะรครับเนื้อหานี่เป็นภาษาอังกฤษนะครับวันนี้เนี่ยผมจะอยู่ในพกักวันเดี๋ยวอาจารย์ปุ๊กจะหลับขอพี่น้องฟังแบบตัวอย่างก่อนนะครับนะว่าเราจะมีเนื้อร้องนะครับอยู่ในชีทของเราผมจะจะบอกว่าฮันเนยอร์บิสไซยาทั้งหมดเนยนะครับมีห้าเพลงเล็กๆซ่อนอยู่ใ น, น ก็มาจากข้างมันนะครับที่ถูกคั้มาลวบรวมเป็นหมู่ทั้งหมด53 53 53หมวดด้วยกันนะครับโอเคครับออขอปิดไฟไหน่อยด้ครับปิดไฟด้านหน้าบ้างครับ พี่น้องครับถ้าเราฟังนะครับแบบเนี้เรามีความรู้ตรงนี้เราฟังพวเนี่ยเราก็จะได้อัธรลดแบบหนึ่งแต่เพิ่มผมอธิบายให้พี่น้องฟังเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องอย่าเพี้ยนนะอัธรลดเพิ่มขึ้นพักนี้นะครับพักนี้เป็นพักไม่ทราบใครที่เคยร้องมิซาย่าจาได้ไหมครับพี่จํำได้ครับพักนี้เป็นพัก โอ้งลงใครว่โค้งงกับภาษาอังกฤษใช้คำ overture overture คือโค้งลงโค้งรงคืออะไรพี่น้องดูนะครับ symphony symphony คืออะไรครับ ซิมโฟเนียคือซิมโฟนีนะนะครับซิมโฟเนียคือซิมโฟนีโอเวอร์เจอร์แปลว่าผมโรมผมโรมแปลว่าโอเนนิงก็คือการเปิดครับโอเวอร์โอโอเวอร์นี่มาจากภาษาฝรั่งเศสนะครับแปลว่า Open Introduction หรือ Approach o v e r วอร r โอเวก็คือเพลงเปิดเพลงเปิดเนี่ยพี่น้องนะแม้แต่เพลงเปิดเนี่ยนะมันยังมีความหมายเลยเดี๋ยวขออาจารย์สันติเนี่ยเปิดตอนช่วง 40% ่สิบเปอตรับมาตรงนี้นะขอเอาภาพด้วย น้องอย่นะครับะเนะะนะนนนนนผมผมถามพี่น้องก่อนฟังแล้วมันเศร้าหรือมันสนุกการเรเปิดใหม่แข็งแล้วเสียงมันแข็งล ตันเดิน่นเัน่นเัิน่นดน่นเดน่นเดินท่นเด่นเดิท่านท่านเดินท่านนท่ดินท่านเดิท่เดินท่านเดท่านเดินท่านเินทานเดท่านินท่าท่ท่ท่ท่่นท่่ิาที่เดทาิ่ดทน่นินทาท่น่เดิทด่เดาเท่น่าิาทท่ท่ท่ ค, ความว่าดังนี้ครับความว่าดังนี้พระเจ้าของเจ้าตรัสว่าจงเล้าโลจงเล้าล่ชนชาติของเราจงพูดกับเยลซเลนอย่างเห็นใจและจงบอกเหมือนว่าการสงฆ์ทางของเธอสิ้นสุดลงแล้วและความบาปผิดของเธอก็ ใครเสียแล้วและได้รับโทษจากพระหัตของพระเจ้าแล้วเป็นสเท่าของความบาปผิดของเธอมีเสียงหนึ่งร้องว่าจงเตรียมบันคาของพระเจ้าในถิ่นผู้รักกันดานจงทําทางหลวงของพระเจ้าของเราให้ตรงไปในทะเลสารเขาเริ่มต้นว่าจงเล้าโลมคอมฟอร์ตจีเห็นมครับคอมฟอร์ตจีไม่พโเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ ในคาสวันนะครับผมอยากจะบอกพี่น้องว่าวันเนี้เราเรียนคัสวันแต่เราเหลือเวลาประมาณสามสห้านาทีแต่พี่น้องไม่เป็นไรนะครับมีใครบ้านไกลไหมครับบ้านไกลจับก่อดได้นะครั บ, บ, บมันมีเยอะมากเลยนะครับคอมฟอร์ตยีนะครั บ, รรบพี่น้องดูนะ แต่ลพัพธ์นั้นมันจะมีซ่อนฉากของมันอยู่นะครับดูในดูในชีพ น, นะครับแต่ละพัพธเนี้จะมีซ่อนฉากของมาอยู่ฉากนี่นะครับคืออะไรนะครฉากเนี่ยมันจะจบด้วยคอรัสทุกครั้งมันจะปิดด้วยคอรัสปิดด้วยคอรัสปิดด้วยคอรัสพี่น้องลองคิดวยครับว่าในภาพวันนี้นะครับมีกี่ฉากอืมมีกี่ฉากชีพมีไหมครับมีเลยครับท่านเห็นไหมครับ ว่าพอหนึ่งสามสี่ปิดคอรัสนะครับห้าหกเจ็ดปิดคอรัสนะครับแปดเก้าปิดคอรัสสิบสิบเอดสิบสองปิดคอรัสนะครับสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดปิดคอรัสสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่เอ็ดปิดคอรัสมีกี่ฉากครับพี่น้องห้าฉากเห็นไหมครับเห็นโครงสร้างของ คนที่เขียนเนื้อร้องไหมครับว่าเขาเขียนออกมาทั้งหมดเนี่ยมีห้าฉากเล็กๆอยู่ในพาร์ทวันพาร์วันก็เลยกงใช่ไหมองหนึ่งองหนึ่งก็คือพาร์ทวันะมีห้าฉากนกๆและ5ห้าฉากเล็กๆเนี่ยนะครับเป็นแม็กกอแม็กกอคือดักแด้ที่อยู่ในสมองอ่ะนะครับของของ เ, ออเจนเน่นเซียมองว่าตัวนี้บินไป ตัวนี้ดินไปตัวนี้บินไปตัวนี้บินไปตัวนี้บินไปวันนี้เรามาดูแม็กก็อดแรกครับแม็กก็อแรกแม็ก็อดแรกเนี่ยก็คือเพลงที่หนึ่งโอเวอรเจอร์วันนี้เราฟังไปแล้วนะครับเพลงที่สองเทนเนอร์ปริซิทีีปริิทแปลว่าเพลงที่ใช้บรรยายนะครับบรรยายว่าอะไครับบรรยายถึงเนื้อหาคำพ้อรรมอิสยาห์บทที่ 4, สี่สิบข้อหนึ 3, ่งถึงสามหนึ่งถึงสามนะครับและ หัวข้อเรื่องนะครับในเรลงที่สองสามสี่นะครับในฉากแรกเนี่ยพูดถึงเรื่องค o มฟ o r t ตี้ไมพีโกก็คือจงแล้วลงจงแล้วลงชนชาติของเราเพราะงั้นเพลงในพักวันฉากแรกนะครับเป็นเพลงที่ใส่เป็นเพลงหนุนใจเออขอแล้วลงแล้วลงแล้วลงนะครับพี่น้องดูคำว่า แอนพี่น้องเห็นเพลงแอนกับในเพลงที่3คำว่าแอนนะครับแปลว่าโซโล่แอนเนี่ยแปลว่าโซโล่ร้องเดี่ยวนะครับก็จะร้องในเพลงนะครับเพลงเท n เนอร์เรซิเดทฟหรือรีไซเดทฟเนี่ยเพลง2เพลง3เทนเนอร์แอนเพลง4คอรัสปิดมาทัก o อเรียลอก็คือมีคนร้องเดี่ยวกับมีคอรัสเนึ่ย่แล้วก็มีออกเอ็กตร้า ตรงอี้ครับโปโอรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับหนึ่งฉากแรกฉากแรกพูดถึงอะไรครับเอาฝดแสดงว่าอะไ ร, รสะแสดงว่าประชาชนของพระเจ้าเนี่ยเป็นไงอยู่ในความทุกข์ยากลำบากถ้าเราไปดูนะครับอิสยาบทที่สี่เนี่ยบริบทของอิสยาบทที่สี่สิบเนี่ยคือเรื่องอะไรอิสยาเป็นผู้ผเผยพระเนื้อไหมครับนะผู้ผเผยพระเน้อใหญ่พี่น้องครับคาว่าผู้ผเผยพระเจนะใหญ่แปลว่าอะไรครับไม่ใช่ตัวใหญ่นะ หรือไมอ่สานภาพใหญ่นะไม่ใช่นะทุกทีเนี้ยมีแบ่งเป็นเมเจอร์โปรเฟสกับไมเนอร์โปรเฟสเมเจอร์โปรเฟสมีห้าเล่นเลยนะครับลองลองไล่หน่อยนะครับพี่น้องพี่น้องจะพัฒนาเองอิชยาเจนรมีบทเพลงทั้งสวนเอสเทียวและอยางเนียวจริงๆแล้วนะครับ ห้าเล่มแต่มีคนเขียนแค่คสี่คนถูกัหมครับและสี่คนนี้เป็นคู่เผยด้วยนัดใหญ่ที่เรียกว่าเมเจอร์คอนเฟไม่ใช่ตัวใหญ่ไม่ใช่สัาณใหญ่แต่ข้อเขียนเท่าีมันยาวเขาเรียกเป็นเมเจอร์คอนเที่เหลืออีกเล่นเป็นไมเนอร์คอนเเขาเรียกว่าคู่เผย็จะนาน้อยหรือไมเนอร์คอนเก็คือนะรครับตั้งแต่โอเชี ย, ยโยเอลอ่าไปเรื่อย โอโยนาโนโยมีอาอาควอนตั no อืมแล้วก็เสพยางม马拉คีสิบสองเล่มตอนเวลาสอบทำขีดต้องทำทำไม่ได้นะครับเด็กก็มีเรานะครับถ้าเรียนถึง 3, มสามเนี่ยนะครับหลักสูตรเนี่ยต้องพ้องไม่ได้ในเชื่อของเป็ตม่เชอร์คเป็ตสิบสองเล่มห้าบวกสิบสองนะครับถ้าเป็นเป็นในทุกทเกี่างเป็นในทุกมั้ยครับพี่น้องในทุก ค, คือเป็นญญาบานก็มีห้าเล่มครับและหนังสระวัติาสที่โซคลาบุกมีสิบสองเล่ม 5.2 นะครับหนังสือบทกวี5นะครับนนหนังสือผู้เขียนงาใหญ่ในเชื่อโปรเฟ5แล้วก็อะไรครับอีก12เล่นฮ่านะผมจะเขียนวินน้งจำง่ายครับ น, นี่ก็สวยเริ่มทีเดิมสาสิบเก้าเล่น น, น, 5, 5, 5. น, น, 2. นะครับแดงสีห้าห้าห้าอันนี้สองครับอันนี้เ็เรียกว่าหมวตรวสันอันนี้บดทสนีอันนี้บดก็เป็นนะครับ พอเราจำางนี้โป้งเนี่ยสามสิบห้าเอ้ยขอโทษสามสิบเก้าเล่มในในหัวเลยห้าเล่มแรกคืออะไรครับอัลฮัมมักานอพยพเลเวนตีแกนลาวิถีแ้วก็แกนนอย่างแ้วก็อะไรเล่มที่หกคือโยชูวาเห็นไหมคแล้วก็อะไรล 6, ไะแล้วก็แกังโรดอ่าเรื่อยไป12สิบสองเล่มเล่มสุดท้ายของสิบสองเล่มหมวดนี้คือใครครับคืออะไรคืออะไร ยังๆๆๆๆๆงยังก่อนโยกครับเอสเตอร์ไเซอร์ทุกนี้นะครับจะจบตรงนี้เลยครับไดี่สสองมีเอสเตอร์ันิบสองบวกห้าเท่าไรครับ1จ็ดบห้าเท่ากับสามสบเก้ารพีทีพนมี5้าเล่นด้ยนะครับมีอะไรครับโยกศุลีสุภาษิตปัญญาจารยร์และเป็งนักโสมอน s อ s สองออฟโซนนะครับแล้วก็อะไรครับพอเ p นพอเฟนใหญ่ที่ห้าเล่มใช่ไ้มไไรครับเมื่อกี้เราไล่ไปแล้วนะพอเฟนน้อยผู้เบียรกกอนน้อยมิดเลยโอโยอ่าโอโยบีหน้าห้าปั้นพักริยาละกีจำเป็นสูตรนะครับเหมือนอื่ที่ท่องนี่ไหมสเต็ปหนึ่งทางนี้สเต็ปสองทางนี้เวลาเขียนข้อสอบนี้น อ, ไองไลูเวลาหาตานะครับหนึ่ง ทาก่อนทาเลยทาแอปปิสองเลยครับยึดมีดขึ้นมาสาม ส, สี่เนี่ยเวลาโอเปอเรชั่นเนี่ยก็ต้องท่องเป็นสเต็ปนะครับข้ามสเต็ปไม่ได้เกิดกันผิดพาดพวกหมอเขาเรียนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถาดูเนี่ยถ้าจะรู้เลยเสำเนาเนื้อสีเขายังไม่ลายให้ถูกเขียนไม่ถูกคะแนนไม่ได้คนระอนสอบเพราะนัน้นเราจะท่องจํำพวกเนี้ยเป็นสูตรเลยโอโยนาโอโยมีนะห้าปัญหายิ่งตลกยิ่งจําง่าย ทางฟันหักคือในทางตะกุเสยฟัญญาแล้วก็อะไรหักอะไรพักใจเสยขันยามารักีจบครบสามสิบเก้าเล่มอยู่ในหัวสมองแล้วหมดเลยครับวิธีการจำนะครับตรงนี้นะครับพอจบขึ้นมาท่อนแรกเนี่ยพอถึงคอราสุ้นเนี่ยอิสยาบที่สี่สิบพี่น้องรู้นะครับในพักวันเนี่ยเขาใช้อิสยาบสี่สิบมากที่สุดพี่น้องสังเกตนะครับเพลงที่สองสามสี่ นะครับอิสยาหบทที่สี่สิบพลิกใหม่หน้านึงครับเพลงที่เก้าอิสยาหบทที่สี่สิบเพลงที่หมดแล้วนะยี่สิบเ่ยอิสยาบทที่สี่สิบเลยเห็นไหมครับเมนหลักเลยนะครับอยู่ในอิสยาบทที่สี่สิบพี่น้องเห็นไห้และเิสยาห์บทที่สี่สิบเนี่ยใช้หลักมากที่สุดเลยนะครับ เขาเรียกว่าเป็นเมทซายนิกโพลเปซีนะครับเมทซนิแปลว่าอะไรครับก็คือเป็นค้าพยากรที่เกี่ยวข้องกับประมาสีหาในนี้เม e ซายนิกโพลเปซีนะครั บ, ค, รบคือค้าพยากรที่เกี่ยวข้องกับระมาณสีหาเมทซ i ยนิกสร้านะสคืออะไรครับ บทเพลงสะดุดีที่เกี่ยวข้องกับข้อมาชีนาพี่น้อ ง, องดูครับจ้ีบทที่ยี่สิบสองพี่น้องปล่อยดูครับนี่คือเมสเซนิกซ้ำนะครับชัดเลยนะครับพี่น้องนานลูกเนี่ยถ้าไม่เห็นไม่เซเมายาเนี่ก็ไม่รู้ยังไงบนี่วีบทที่ยี่สบสองครั บ, ร บ, รบพระเจ้าข้าข้อที่หนึ่งะฮะพระเจ้าค่า พระเจ้าค่ะชะไหนทรงทอดทิ้งค่าองค์เสียคุณคุ้นั้ยครับคุณผู้ั้ยครับอันนี้เป็นอะไรครับ The Last Seven Words of Christ ใช่มั้ยครับเราเราเราเคยปีนึงเราเคยเราเคยเรียนนะพระวันพระเจ็ดประโยคนี่ไหมครับขีดท้ายของมมองค์พระเยซูคริสต์ก่อนองค์สิน้นพระชนม์ดมั้ยครับ น, รนั้นพออ่านไปปุ๊บเนี่ ย, ออป เ, ยเป็นไงครับโอ้โหนี่ เป็นเมซไนิกซามนี่นะครับเรามาดูเมซไนิกโพแทซีนะครับในอิสยาบทที่5้บสาอ่าพี่น้องลองเปิดดูนะครับพี่น้องครับสิ่งที่ผมสอนนะครับไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับอาจารย์พอสอนหมดแล้วถ้าพี่น้องเนี่ยมาร่วมเรียนแล้วแล้วมีอย่างสม่งเสมอนะครับพี่น้องจะรู้สึกว่าผมทำไม่พูดของเกา่าอาจารย์พอเนียพูดหมดแล้วนะครับในอิสยาบทที่5้บสานะครับเอา ข้อที่สี่ก็แล้วกันคนระับแน่ทเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและห่อความเจ็บปวดของเราไปเพราะนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกตีคือพระเจ้าทรงโปยตีและข่มใจแต่ท่านถูกบาเกดเจ็บเพราะความตายของเราทั้งหลายท่านฟกช้าเพราะความบาปผิดของเราการตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้นตกแก่ท่านที่ท่านต้องฟกช้านั้นก็ให้เรา เขาบอครับเราทุกคนได้จดไปเหมือนแก่เราคนต่างหันไปตามทางของตัวเองและพระเจ้าทรงวางลงบนท่านซึ่งความบาปผิดของเราทั้งหลายทุกคนเพลงนี้นะครับเป็นเพลงในเมสซายาโอวีไลท์ค like ิวเดี๋ยววะไม่ใช่เดี๋ยวอ่ะอาจจะ็นพรุ่งนี้เราเดได้ไปฟัง พอพี่น้องสังเกตไหมถ้าผมอ่านธรรมดาครับแต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลายท่านพกช้ำเพราะความบาปปิดของเรากัดแต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลายท่านพกช้ําเพราะความบาปปิดของเราการตีสอนท่านทําให้เราทั้งหลายจมบู น, นตกเกะท่านความสุกตาก่างกันและถ้าผมใส่นะฮะผมใส่ทานองเพลงเข้าไปเนี่ยความสึก เป็นฮะทางแบบพระบุมหาศาลอันนี้นะครับก็คือร้องเพลงฟังเพลงด้วยความคิดและนะรครับฟังเพลงด้วยใจเห็นไหมครับจะเห็นเลยถ้าเราธรรมดาก็ธรรมดานะครับถ้าเราใส่อารมณ์เข้าไปหน่อยเราก็ใส่เสียงเพลงเข้าไปหน่อยเป็นไงครับโอเคครับเรามาดูในข้อที่ข้อที่4ี่ครับอิสยาหบทที่สี่สิข้อที่สิ อีสิยามบทที่สี่สิบข้อที่สี่นะครับเดี๋ยวไวัยพวกนี้เนี่ยผมจะขออาจารย์พวกเนี่ยอ่านพอเวลาเราบอกว่าเปิดอีสิยามปบนี้ครับอาจารยกอ่านโดยวพวกเราจะได้ยินแล้วว่าเราเปิดเจอปุ๊บนี้เราได้อ่านอีกรอบนึงครับนะภูเขาทุกแห่งจะถูกยกขึ้นภูเขาและเนินทุกแห่งจะทําให้ต่ํางลงที่ลู่ลื่มมนลนลอยจะให้เสมอแต่ที่สูงสูงต่ําๆให้เป็นที่ลากนะครับแล้ะข้อห้าครับขอรับรองพร้อมกันครับ and the glory of the Lord shall be revealed And all friends For together see the shall mouth the hath it of Lord spoken ข้อที่ห้าบอกว่าอะไรนะนั่นจะเผยพระสิริของพระเจ้าและมนุษย์ทั้งสิ้นจะได้เห็นด้วยกันและพระโอรสของพระเจ้าตรัสไว้แล้วพี่น้องถ้าเราเป็นคนแต่งนะข้อที่สี่เนี่ยเราจะแต่งไงครับดูแนวทางการแต่งเขาเลยนะเขาออรโซโลโซโลคืออะไรครับเขาร้องเดี่ยวร้องเดี่ยวบอกว่าอะไรภกเขาทุกแห่งจะถูกยกขึ้น กู venes, legen, school, ้เขาและเนินเขาเนินทุแห่งจะทำให้ต่ำลงและที่รูนดอนให้เสมอกันที่สูงต่ำรับรากจะเป็นที่ราบหมดแล้วเสร็จแล้วอะไรครับแล้วเสร็จแล้วก็มีคนร้องพร้อมกันหรือพูดพร้อมกันบอกว่าแอนเดอร์โกลลี่ก็เป็นโลชั่นที่ร e วิวหมปยว่าอะไรครับพัสดีของพระเจ้าจะถูกเปิดเผยสำแดงพี่น้องครับคำว่ารีวิวแปลว่าอะไรครับการเผยเผยชัแดง ถ้าใครมาเรียนวิชาเข้าวิญญาณประสุกร์วันเสาร์ตอนเช้าโนโคษรดาหเราจะรู้ว่าคำว่ารีวิวนะครับเป็นคำที่อะไรครับศักดิ์สิทธิ์มากเพราะเป็นการเปิดเผยสำแดงที่ใช้เฉพาะอะไรครับพระเจ้าและอะไรเปิดเผยพระองค์เองให้กับมุนนะครับรีวิวนี่แปลว่าอะไรแปลว่ า, วาจริงๆแล้วเนี่ยนะเราไม่มีสิทธิ์รู้เลย ปกปิดไว้ปุกช่อนไว้แต่ก็เจ้าไม้เปิดออกมาภาษาที่ว่า expose นะครับก็คือเปิดออกมาคำ expose นะครับตอนที่ผมเรียนทน้แพทย์อยู่คุณเคยได้ทราบซึ้งถึงคำตรงนี้มากเลยทำไมล่ะครับผมจะเล่าใหฟังเวลาเราฟรอฟังนี่นะครับสิ่งที่หมอฟังตลัวที่สุดก็คือ expose expose เื่ออะไรครับ ตทะลุปโปรกษาดะนะครับคนที่เป็นมือใหม่หัดขับนะกลนะัวามากที่สุด export e x p o r export โปรกษาดฟันตายโอยทะแนนก็ไม่ง่ายถ้าเป็นการสอบแล้วต่อครับถ้าคุณกอฟันไปกไปมันทะลุโ ป, ปรกษาดฟันชาบ้านเขานะโอ้โห e x p o s t แปลว่าอะไรครับเผยผึ่น <c oughs> เดิมมันถูกปิดไว้นะครับมันเผยพึ่งออกมาไอ้พงปาะสาทเนี่ยที่มันอยู่ภายใต้เนื้อฟันนะมันถูกกเดินกระทั่งมันเผยพึ่งออกมาติดเชื้อครับนะครับถือว่าเป็นวิบัติของหมอฟันจริงๆนะครับวันกอฟันในเอ็กโพด์น่ะจริงไหมโดนครับเรียกร้องเวลาที่หมอหมอศัลยกรรมผ่าตัดนะครับผ่าตัดไปแล้วเนี่ยนะ เกิดไสติงแตกนะอันนี้ก็เรียกว่าอะไรครับเรียบร้อยนะครับงานเข้าอันนี้คือ expose นะครับโอเคครับคำว่า review นี่ครับมีความหมายเนหะมือนกับคำว่า expose ก็คืออะไร เทปอยู่นะครับโอเครีวิวไว้าอะไรครับพระเจ้าเปิดเผยสัมดงเป็นการสัมเดงทางเดียวจากเบื้องบนลงมาถึงล่างนะครับพระเจ้ารีวิวพระองค์เองอันนี้คือสรสันนิษฐานนะครับรีวิวพระองค์เองจากเบื้องบนเนี่ยมาให้รู้จักถ้าพระเจ้าไม่รีวิวเราอิจฉารู้จักพระเจ้าไหมครับไม่มีสิทธิ์ครับเราก็สร้างพระเจ้ากันเอง แล้วก็คิดว่าเอาเองแล้วก็อะไรครับคิดเอาเองเพราะเจ้าเป็นอย่างเนี้อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ิด่สเตียที่ไม่ได้อ่านพระคัมภีร์นะสร้างประเจ้าขึ้จากการฟังฟังคนโน้นนัฟังคนนี่ก็มีภาพพระเจ้าขึ้นมาอันนี้ร้ายมากเลยนะพระเจ้าบอกผมว่าอย่างนี้พระเจ้าบอกฉันว่าอย่างนี้ร้ายมากเลยนะ แต่มันสร้างพระเจ้าขป็นอางไรหรือ่าอคุณรู้จักพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมครับสิ่งที่แย่น้อยอกวนะ่านั้นก็คืออะไรครับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้านะเขาพสร้างพระเจ้าของเขา เ, เองยกตัวอย่างใกล้ๆตัวเราที่สุดก็คือชาวอิสราเอลตอนที่เขาอยู่ในถิ่นพระ ก, กันดานนะพี่น้องไหมครับว่าชาวอิสราเอลเนี่ยนะครับเขารู้จักพระเจ้าของโมเสสไหมครับรู้จักไหม i s สตอนที่อยู่ในถิ่นูกันดานะเขาไม่รู้จักพระเจ้าโมเสส ร, รอและถามต่อไปอีกว่าเขารู้จักพระเจ้าของอับราฮัมอิส์อะยาโกลแมนกูบัเนเตงส์เขาไม่มีข้อความให้อ่ายนยะมีแต่ฟังเขามามฟังอยางพ่อแม่ของญาติยายสมัยยเซเนี่ยกลมโยกมาเนี่ยอยู่กับเราเนี่ยนะอยู่ในอียิปต์นะอียิปต์อุมสมบูรณ์มากเลยนะพระของอียิปต์ก็มีเล็กแยะแต่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่มากเลย เป็นพระเจ้าของอัคราห์มอิสราเอลก็ถามว่ารุ่นหลังหลังของอิสรเอลเนี่ยเคยเห็นอิสัะยาโค้กไหมเคยเห็ครับเคยเห็นอัคราห์มไม่ไม่เคยเห็นฟังอย่างเดียวเคยได้มีการอ่านบทความเลยไม่ไม่มีครับเรื่องเล่าต่อมาก็ได้ปอโรคออกเราอีเรื่อนเรื่องเราจะเป็นตำงานก็ดีจะเป็นจะเป็นสิ่งเล่นลับเรมิสติกก็ดีนะครับจะเป็นเลจันก็ดีมันเป็นสิ่งที่อะไรครับไม่รู้ไม่มีหลักฐานและเขาอยู่ในบริบทของใคร บริบทของอียิปต์ใช่ไหมครับอียิปต์เป็นไงบ้างครับลูกข้าวลดเลยหมดเลยพระราพระราอะไรเงี้ยราคือพระเจ้าคนจังโภมจะไม่ดีนมีพระอาทิตย์พระดวงพระจังมีพระราผูมีพระอะไรต่างๆแย่มากมายเลยนะเพาอิสราเอลเนี่ยเข้าไปอยู่ในแผ่นดินารันดอิสราเอลอยากมีพระเจ้าอยากรู้จักพระเจ้าอิสราเอลก็บอกว่าโมเสสขึ้นไปบนภูเขาตั้งานแล้วไม่ลงลงมาอีกไม่รู้เป็นตายได้ยังไงนะ เขาทำไงครับบอกอารอนบอกว่าอารณนตอนนี้นะช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยถามพระเจ้าดูหน่อย้เราอยากจะนมัสการพระเจ้าเอาพระเจ้าแบบอาภรณ์อิยาก์ยาอารรู้จักพระเจ้าไมครับไม่รู้เหมือนกันอารอทํยไงดีครับพวกผุต้องการอะไรจากพระเจ้าพวกผมอยากจะมีกินอยากจะมีน้ำใช่ไหม กินมานานก็ไม่ไหวแล้วเบื่ออยากจะคิดถึงอะไรครับโอ้ยเนื้ออะไรต่างขักผลไม้ที่อีอยิปต์ทำไงครับคิดถึงเลงครับเชื่อมโยงความคิดของตัวเองกับพระเจ้าขึ้นมาบอกให้อารอนทำวัวขึ้นมาวัวทองคําวัวธรรมดาถ้าไม่ไม่ดีนะก็วัวทองคำถึาา ง, ง, ง, งจะให้เกียรติพระเจ้าเพราะสั่งด้วยทําคำเองถูกไหมครับเหมือนแต่ในทุกวันนี้เรามีาพระทอง พระทองคก็ศักดิ์สิทธิ์กว่าพระทองเหลือ ง, งหครับนะอย่างเดียวกันงัวทองคำก็ศักดิ์สิทธิ์กว่างัวไม้เขาใครับต้องเองัวทองคาทีนี้งัวทองคำมันเป็นสัญัของอะครับัวไถนาครับปู ด, ดมสมบูรณ์พื้นพันธัญญาหารพี่น้องอย่าทักโคยอะแบบเดียวกันนั่นเลยครับเพราะเขาต้องการสร้างพระเจ้าขึ้นมาใน aspect อื่น p o i t e ของตัว ความต้องการพระเจ้าต้องเป็นแบบนี้พระเจ้าต้องเป็นแบบนี้ก็เจ้าต้องแบบนี้พระเจ้าต้องเข้าข้างฉันพระเจ้าอยู่ฝ่ายฉันพระเจ้าต้องโวยพรฉันฉันจริงเล่าพระเจ้ามาพระเจ้านะให้สิ่งไม่ดีไม่ได้ทําไมพระเจ้าปั้นฉันแบบนี้คนที่อยู่ปั้นจะมีสิทธิ์่ิยบอกกับผู้ปั้นได้ไหมทาไมพระเจ้าปั้นแบบนี้ทําไมผู้ปั้นแบบนี้ไม่มีสิทธิ์ครับนี่คืออะไรครับเป็น factor factor เราไม่สามารถที่จะบอกว่าพระเจ้าทำไมสร้างฉันแบบนี้แต่พระเจ้ามีวัตถุประสงค์นะครับและมีแผนการวิญรัณที่ประเสริดสุดสำหรับเราทกทายทุกคนด้วยเหตุนี้ครับทำให้เลยนะผมพี่น้องจำได้นะครับในข้อที่ในเพลงที่5นะครับเบสนะครับเบสวิชเตเบสแอนด์และคอรัสนะครับในข้อที่สองนี่นะครับกำลังพูดถึงเรื่องอะไรครับพี่น้อง ผมอยากให้เปิดซิงโฟเนียดิค้างโอเวอร์เจอร์นะครับนะครับถ้าอาจารย์พร้อมอะไร่เปิดเลยพี่น้องสังเกตดะครับก่อนจะเปิดนะครับครึ่งหนึ่งมันเศร้าแต่อครึ่งหนึ่งเนี่ยมันคลิกเลยเขาคำลังบอก2อถึงสและ5้ถึงเโอเวอร์เจอร์ตรงนี้นะนะครับเรียกว่าอเมซิ่งมากเลยพี่น้องฝังนะครับโอเวอร์เจอร์เนี่ยมันคอบคุมมันก็ต้องสื่อสารอะไร คือานท่อนแรกขึ้นขึ้นขึ้ น, น, นเพลงแรกของของซินโคนีนะครับมันเพลงเพลงเศร้าแต่ขึ้นเพลงหลังเนี่ยมิเดี๋ยวผมจะพี่น้องฟังพี่น้องก็จะรู้นะครับ ถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยจ ะ, จะจะรู้จักคาว่า i n v i v a l คือการทดลองที่ทำกับสิ่งที่มีชีวิตอิน i v โวอินไบคือการทดลองที่ทำอยู่ในห้องทดลองทำบแบบทาในหลอดทดลองแต่ถ้าอินไบโวเมื่อไหร่ก็คือสมมติว่าผมจะทดลองอยานะ่ฆ่ามาเนะเร็งใช่ผมก็เอาเนื้อมะเร็งขึ้นมาแล้วก็ใส่จานไว้แล้วผมก็เอาอยาเทเข้าไป ถ้ามันฆ่าได้แสดงว่ามันมีผลแต่เป็นการทดลองอยู่ด้วยกิน i ิทโร่ก็คืออยู่ในห้องแลบแต่ถ้าเกิดว่ากผมเมายาเนี่ยนะครับมาให้คนที่เป็นมะเรงกินเมื่อไหร่ในการทําการทดลองในการทำวิจัยเขาเรียกว่ากินไบโวกินไก็คือทําในสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นหนูไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรต่างกันเขารียกิน vivo คําคว่า v บนะครับก็คือชีวิตวิฟาเชคือจังหวะทางดนตรีครับ นี่มันเหล่มีชีวิตชีวา l i ฟ e l y ถูกไหมครับงั้นไ l ฟ์ฟรีก็คืออะไรฮะมีชีวิตชีวามันมีรู้สึน ม, มันกระจักประเสรเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เนี่ยนะครับเมื่อกี้เนี่ยท่อนแรกนะท่อนแรมันเป็นอะไรไอเดนเต้มันเป็นอะไ ร, ะไรชาๆเสื่อมสนะครับ e n t ดนเต้ไอ e ดนเต้ผมจำได้สมัยก่อนตอนที่ท่องทฤษฎีดนตรี i d e n t เต้แปลว่าภาษาอังกฤษแปลว่า slow n a u r e l l e n s u r e l y เหมือนเดินทอดน่องตันตันันตันันตันันตันันตันเหมือนบคนเดินทอดน่องมทอดุยเทอดุยนะครับดนเต้จะได้เป็นวิวาเช่นะครับเร็วเห็นปุ๊บปุบว่าเขากบปุ๊บอกวบาุ๊บปุ๊บ G ุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บบ พี่เพของฉันเนี่ยเศร้าต้องขอบฟุตครับแต่พอมาฉากที่สองนะครับเดอะ o หล o ออฟโคสนะครับทักไก่บทที่สองข้อหกข้อเจ็ดและมาราครบทที่สามข้อหนึ่งมาราคีบทที่สาข้อหนึ่งนะครับ The l o ห d of อ o s t สแปลว่าอะไรครับเป็นพระเจ้านะครับพี่น้องเปิดในตอนทักไก่บทที่สองข้อที่หกครับกาฟันหัก หลังเสยปัญญาหน้าถ้าไก่บทที่2ข้อที่หครับพระเจ้าจอมโยธานะครับพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าจอมโยธาแปลว่าอะไรครับ The Lord of Post แอนพอครับผมขอความรู้ครับ Post แปลว่าอะไรครับ The Lord of Hosts เนี like ่ยเอาเลยนะคือค like ือเป็นพระเจ้าจอมทัพจอมทับจองโยธาแสดงว่าเป็นพระเจ้าของไทยเป็นพระเจ้าของเนี่ยทุกคนที่อยมีโลกนี้ The Lord of Hosts เป็นพระเจ้าจอมโยธาตรงนี้นะครับได้พูดถึงว่าพระเจ้าจอมโยธาเนี่ยมีความหมายอะไรครับคือพระองค์มีสิทธิทอำนาจปกครองทุกคนที่อยู่ในโลกนี้นะครับไม่มีอะไรเลยที่อยู่นอกเหนือหน้ามักไทยของพระองค์และแผนการของพระองค์พอเราบอกว่าเรื่องโลดออเนี่ยก็คือจองทับเป็นจอมโยธาก็คือมีชัยชนะ และควบคุมทุกสีทุกอย่างที่เอกโลกนี้เป็นพระเ จ, จ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดนี่คือการขยายความเด่นโลดออโฟโพสตพอเราฟังเด่นโลวดออโฟโพสต์ในปุ๊บนี้นครับเรารู้เลยครับว่าถ้าหากว่าใช้คําว่าเด่ l o ล d of ฟ o พสตเนี่ยแปลว่าพิพากษาครอมฟอร์ตี้คืออะไรครับเศร้านะครับแต่การพิพากษาคืออะไรครับ The Lord of Horses ก็คือพระเจ้าจอมโยธาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพี่น้องลองอ่านในข้อที่สามข้อที่2ครับพักไก่เราที่อดกระโดดมาที่มาลาคีนะครับมาราคีบทที่สามข้อที่หนึเปิดนิดเดียวนะครับมาราคีบทที่สามข้อที่หนึ่งผมอ่านให้พี่น้องฟังนะครับมาลาคีบทที่สามข้อที่หนึ่งและข้อที่สองพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าดูเถิดเราส่งทูดของเราไปเพื่อตรัสเตรียมคนทางไว้ข้างหน้าเรา และพระเจ้าผู้ซึ่งเจ้าแสวงหานั้นจะเสด็จมายังพระวิหารของพระองค์อย่างกระทันหันทูตแห่งพัชรัญยาผู้ซึ่งเจ้าพอใจนั้นดูเถิดท่านกําลังมาแล้วเห็นไหมครับนี่เขากำลังประ ก, กาศนะว่าพระเจ้าจอมโยธานเนี่ยกำลังเสด็จมาถามว่าพระเจ้าจอมโยธาเสร็จมาทําอะไรครับมาเป็นผู้พิพากษาก็อสองครับแต่ใครจะทนอยู่ได้ ในวันที่ท่านมาและใครจะยืนมั่นอยู่ได้เมื่อท่านปรากฏตัวภาษาอังกฤษบอกว่า who may abide the day of his coming and who shall stand when he appeared for h e s e like a refiner's fire refiner fire แปลว่าอะไรครับถ้าไปถามช่างทองนะช่งเงินนะ refiner fire fire แปลว่าอะไรครับ คือคนที่ไล่ขี้แร่เนี่ยออกจากแร่ออกจากของที่มีค่านั่นหมายความว่ า, วาคือการพิพากษาทัดคนดีจากคนชั่วนะครับเป็นการรีไฟน์รีไฟน์ก็คือทำให้ทองนี่บริสุทธิ์ทำให้เงินนี่บริสุทธิ์ mm hmm. ก็คือใช้ะลรครับไฟใชไฟ้ไฟคือการพิพากษา mm hmm. เพราะฉะนั้นในซิมโฟเนียนะครับโอเวอร์เจอร์เนี่ ย, เ, เ, ย mm hmm. เขากำลัง ใช้ดนตรีนะคะรับบอคังแรกคือความเศร้าบอคังที่สองคือความชีวจุดีรีวิฟ์รีวิฟ์แปลว่าอะไรแปลว่ามีชีวิตชีวาถามว่าทำไมครับจากคนที่โศกเศร้าถูกคอมฟอร์ตถูกคอมฟอร์ตไปกลายมาเป็นอะไรครับรีวิฟ์รีบฟ์ขึ้นมานะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะเข้าสู่การาพิพากษา จะเห็นภาคไหครับภาคเมอร์ซี่ของพระเจ้าและภาคไรครับภาคเม้นตของพระเจ้าอยู่ในสองสองฉากนี้นะครับอยู่ในภาคแรกนะครับถ้าพี่น้องตามผ่านนะพี่น้องดูในมาราทีบทที่สามข้อที่สามทำไมรีไวซ์โขึ้นมาครับเพราะมาราทีบทที่สาข้อที่สามเนี่ยนะครับเจนนิงส์นะครับชาลเจนนิงท่าน ดึงขึ้นมาบอกว่าท่านจะนั่งลงอย่างช่างหลอมและถรุปช่างถรุปเงินและท่านจะชำระบุตรหลานของเลวีให้บริสุทธิ์ and he shall and he shall purify and he shall purify เดี๋ยวพี่น้องไปฟังคืนนี้ครับ YouTube นะครับยู u ูบเนี่ยไปฟังเลย he and he shall purify เปิดยูทูบเนี่ยเด แลวผิดว่าแอนทนะี่เชลเพอร์รีจะฟน์เนี่ยจะฟัง and shall and shall ตรงนี้เป็นรีไวโอลถามว่ารีไวโอลเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเป็นบทของเลวีวี the sons of อ่านก็เลวีรีไวโอล์รีไวเป็นเรื่องยียนยเป็นเกงยนีนอาจารย์เข้าใจว่าอะไรครับ รีวายใช่ค kind ร of ับรีวายนะครับคนที่เป็นเจ้าของยินีวเนี่ยเป็นคนยิวนะครับถ้าได้รู้ประวติบริษัทรียเป็นเราอ่านรีบีรีบีง่ายๆครับรี่เป็นแรีารีวคอมีเนี่ยเจ้าของเป็นบริษัทเป็นคนย And he shall purify the sons of the rie ายคืออะไรครับเาบอกว่ามีความหวังทางรอดของไทยของ เลวีเลวีคือใครครับพี่น้องเลวีคือเผ่าหนึ่งใน12เผ่าของอิสอเอลที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้ามีดินแดนเปนของตัวเองหรือเปล่าไม่มีมีชรัพสมบัติเป็นของตัวเองหรือเปล่ามีบ้างครับก็คือ11เอผ่าเนี่ยแกส่งทัศน์มาทัศน์คือ10บรใช่ไหมครับฉันมีทัศน์ของพวกแก <c oughs> ใช้เอาไว้เพื่อให้พวกแกอิจฉา เพราะพวกแกเนี่ยให้ชั้นหนึ่งมีสิบเข้าใหมครในที่สุดแล้วชั้นมีมากกว่าแกหนึ่งส่วนเพราะว่าฉันได้สิบเป็ส่วนต่างหาไหมครับสมเผาเนยะ่ะเขามีเงินอยู่1มื0นหนึ่งเขาจะหวสิบ0ต์มาให้เลวีท่านหนึ่งชิดแอดเผาชั้นได้เท่าไหร่ครับ1มื0นหนึ่งมืนหนึ่งพันบาท ตายพวกนั้นเหลือเท่าไหร่ 9,000 ผมเเลีดีกว่าครับพี่น้องอยากเป็นเลวีครับอา้อาว ผ, ผมถามผมเปนเลีดีดไหมดีดีไหมครับดีหครับดีไหมครั บ, รบพี่น้องอยากเปเลีไหมครับอา้าวทำไมไม่อยากเป็นนะพระเยซูบอกว่าไงครับถ้าท่านสลาบ้านเอืออไรนา พี่น้องภรรยาสามีบุตชายหญิงของท่านท่านจะได้รับคื น, นรน <c oughs> อดเอาเป็นเรนีไหมครับน <c oughs> ้องปังเป็นเรนีไหมเสียใจมากเลยพูดส <c oughs> าวเพิ่อทีมาพูดแล้วนะน้องปังไม่เอา เ ป, เป็นรีวันรีวั์นะพี่น้องครับคใครจะทนได้ในวันที่ท่านมาคำตอบอยู่ในบาราทีบทที่สาข้อสามก็คือเลวีผู้ผ่านการเพอริฟายนั่นคือรีไวัยว่าเป็นความหวังจะพบเป็นโคของใครครับของคนของพระเจ้านี่ยที่ยอมกลับใจใหม่เนี่ยเขาหนปาประกาศว่าไงครับีเพนตนี่คือเมสเซจที่ซ่อนอยู่ใน ฉากแรกฉากที่สองขององค์ที่หนึ่งรีเพนถ้าเลยีคนไหนรีเพนท์นครับเขาจะถูกเคลียวใฟายและเป็นความรอดที่เขาจะได้เมื่อถึงคราวที่อ่างสาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในบทเพลงนะพี่น้องครับอยากจะให้พวกเรากลับไปคืนนี้ผมหมดเวลาแนละ้วกลับไปนั่งฝังนะครับองค์หนึ่ง แล้วก็พักฉากหนึ่งมาฉากสองเพลงที่ท่านภาดไม่ได้ก็คือแอนเดอ o ์โกลด h ้ l อฟโรดแช e ์ e ี e ีวิวคอรัสสันหลายนะครับ And ดี้ s h e l l p น r f ปไฟล์เดอร์ซันกัไว้นะครับเพราะมากเลยและสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของแฮนเดอร์บิทไซน์นะครับ เขาจะร้องซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมา And he shall purify ก็จะมีอีกคน And he shall purify <laughs> <laughs> มันสนุกมากเลยเพราะมันร่อนเรียนกันอะร่อนเรียนกันไปร่อนเรียนกันมานะครับโซเปนโน่ร่อนเรียนเอาโธ่เอาโธ่ร่อนเรียนกับเบสเขาก็ร่อนกันไปร่อนกันมาแล้วเสร็จแล้วก็ร้องคอรัสสี่อย่างจันลองเปิดดูก่อนที่จะจับกันวันนี้นะครับ ต้องโปรโยไว้ก่อนนะโปรโยไว้ก่อนพรุ่าาานี้จะได้เรียกอะจั้งึั้นตอนนี้เขากำลังร้องเพลงที่7นะครับคอรัสครับนี่ลองดูนะครับเพลงคอรัสเนี่ยเพลงที่7ดนะมาลากีบทที่สามข้อสาเพลงเดียวนะครับแต่งเป็นคอรัสย า, ยยาวเฟ้ยเลยนะครับจากเทคนิคเนี่ยคือเขาอยยาชีพมากเลยเขาสามารถที่จะจับไปจับมาจับไปจับมานะแล้วกลายเป็นเพลงเดียวยาวมาแล้วพาะด้วย นะครับลองฟังดูครับขอปิดไฟครับ จัดมืคือการที่พากสายจะมาการที่พากสายจะมาในการที่พากสาเราต้องนั่นนะจมริเพิ่ับใจเสียงใหม่นีงครับถ้าคุณฟังแล้วนะเราฟังดิสันพับเล e มีน้องตอนไหนวะที่น้องกลับไปฟังนะครับ The Son ับเลยมีน้องแล้วนิตเดียวเองและแดกเ t อะเลยมีออ f เฟอร์อันทูเดอะก็ยาวใหญ่ๆยาวใหญ่คืออะไรก็คือเน้นมากเลยอันทรด and offering the righteousness แล้วก็จบตุกมา and shall you h e r f r o เห็นไหมครับค okay. hmm? ือผมไม่มีเวลาถ้ามันมีเนื้อเพลงแลมีโน้ตนะครับแจกให้เราเนี่ยผมจะชี้ให้เห็นว่ามันเป็นอะไรกับโน้ตของมันอยู่เวลาโน้ตมันขึ้นนะครับมัน ascending นะครับมันกำลังเล้าเล้าอารมณ์ของผู้ฟังเนี่ยขึ้นๆแล้วก็เจบนี่ครับ นี่คือ a Music Appreciation เพราะฉะนั้นอยากให้นี่น้องมาตุ้มีเนี่ยอยากทิ้งผมไปผมรู้ว่าอะไรครับเรนเมื่อวันทีเนี่ยทุกช็อตทุกลงนะครับทุกทิศจักเนี่ยมาไอ้วันแรกวันที่สองหายวันที่สามหายตุ้มีอ๋อใช่ใช่ใช่ตุ้นีหาอะไรเนี่ยเดี๋ยวๆดปุ๊บไปก่อนก็ปุ๊บไปก่อน จะพิสชอบกินอาหารอะไรบอกมาเพระพุ่งนี้ผมต้องการเสียงประสานะครับพวกนี้โอเคครับมีใครจะเสริมอะไรไหมครับอาจารย์เดนแรงท่านมีอะไรเสริมไหมครับมีพี่คนไหนอาจารย์อจารย์ดรศรีรักมีอะไรเสริมไหมครับอาจารย์ครับอาจารย์พอลวิลครับมีท่านใดมีมีใครเสริมอะไรไหมครับยังไงครับไม่ดีนะ ครับครับเจ็บนั่นแหละครับครับครับปีนันม่วกนี่ครับคุณมาอีกครโอเคครับให้เราร่วมใจกันที่ทำพระเจ้าว็ญญาณอีกครั้งหนึ่งที่ทั้งไหลขอขนรงในขั้มตัวนี้ทั้งไหลได้สัมผัสถึงการเคลื่อนไหวของวิญญาณโดยสุดทําการท่ากั้งหลายให้ภาชนะของรง ได้เตือนสอนและเตือนสติทัางหลายถึงความจริงขององค์ประมาชยาผู้เป็นแม่สับปะรของพระเจ้าผู้ทรงไถ่ทั้งหมหลายออกจากความปิดความบาปกลุ่มยอดขอบคุณพระองค์ที่ทั้งหลายได้มีโอกาสครับเชื่อในพระองค์ทาให้ทั้งหลายได้เป็นบุตรของพระองค์และเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดในชีวิตของทั้งหลายที่ได้มีโอกาสเป็นบุตรของพระองค์เป็นประชากรของพระองค์กล้าแต่พระเจ้าอ้อชนโปรดช่วยและชําระทัางหลายให้พ้นจากมวลถินความบาชั่วทั้งหลายกลุ่มยอดครับ ให้ชีวิตของข้ามูลนี้อ um, ย so so ู่เพื่ององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ขยายแผ่นดินของพระองค์ต่อไปขอให้เิสซาย่านี้จะเป็นเมสซาย่าที่เปิดเผยซอมแดงพระเจ้าและกับข้ามูลนี้ให้ข้ายูี้ได้รู้จักองค์มากยิ่งขึ้นทุกเวลาขอขอบคุณพระองค์สำหรับท่านคืนวันนี้ขอการรักษาของพรองค์มาถึงชีวิตของข้ามูลนีทุกคนในท่านคืนนี้การเดินทางกลับบ้านของทุกท่านให้ได้รับความปลอดภัยด้วย องคหวังใจเป็นอย่างยิ่งพุงจะส่งผลนาพาชีวิตของอคลายต่อไปในนพัไทยอนเดประเสริฐของตรงคงไหายพร้อมใจให้ิจาเผื่อซึ่งกันและกันกราบคูลขอในพระนามของพี่ใหรเจ้าัพพระเจ้าวอวยพครับพุ่งนี้เจ ก, กันครับพี่น้องครับพุ่งนี้นะเตรียมตัวนะครับเลิกสีพุ่งนะเผื่อผมสอนให้จบเนี้ขอบคุณมากครับเจ้าอวย ค, ครับ